เนี่ยเราทำมาสดมนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรพระธรรมที่ทรงแสดงแสดงทำไมเครื่องออกจากทุกเนี่ยลักษณะของของชาวพุทธที่ไม่ได้เป็นชาวพุทธโดยสมมโนโครัว เนเป็นชาวพุทธโดยเนี่ยสงสัยทำทำแล้วต้องไ้หายสงสัยฟังชอบฟังเดี๋ยวพระเภทชาบฟังมีเยอะหมดนะเมื่อก่อนจัดปริวาตรที่วัดพรมบุรี โยมสองสามร้อยคนพระเป็นร้อยสองร้อยลูกชาวฟังเยอะตอนหลังพอได้พิธีหลวงพ่เทียนไปจัดปฏิบัติเอ้าไปปฏิบัติค่อยๆหายหายหายหายพระก็เหลือน้อยลงน้อยลงน้อยลง จะมาอยู่ปฏิวัติผมถามปฏิบัติยังไงใช้เวลาเท่าไร่คือกลัวกลัวแต่ถ้ากลัวนะโยมนะมันยากจริงๆนะถ้ากลัวเนี่ยยากถ้าไม่กลัวเนี่ย จึงจะไม่ยากเนี yeah. ่ยที่จริงอาตมานั่งฟังท่านเจ้าคุณอธิบายอาตมาก็ท่านอธิบายชัดเจนทุกช็อตทุกช็อตไปนะโยมมันก็ได้แต่ฟังได้แต่จำมันเป็นสัญญา มันไม่ใช่ปัญญามันเป็นสัญญาเป็นสัญญาที่เราจำมาเนี่ยเจ้าคุณที่ทันเทศเมื่อคืนเนี่ยท่านก็มีสัญญาเรียนมาจนถึงประโยคเก้าประโยคเก้าไม่เคยช่วยอะไรได้เลยมาเดินจงกรมโโหโหัวปักหัวปมแบบต้องมาอดทน เราฟังไปเถิดแต่ว่ามันไม่เหมือนลงมือทำทำยังไงมันก็ไม่หายสงสัยฟังเนี่ยร้อยเที่ยวพันเที่ยวไม่หายสงสัยแล้วสู้เราลงมือทำไม่ได้แล้วมันจะหายสงสัย แต่โยมโยมเคยมาอยู่ปฏิบัติกับงานปฏิวาติเป็นสองร้อยสารอรู้อะไรไหมก็ได้ไม่อยู่่ะรู้ไหมไม่รู้หรอกทำไมไม่รู้อ่ะก็ผู้สอนก็ยังไม่รู้เลยนะใช่ไหมจำเข้ามาคิดเอาคาดคะเนเอาไม่รู้ ไม่รู้หรอกนะพระเจ้าเราเนี่ยเราตามศึกษาประวัติเนียออกไปเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้ไปนั่งฟังอย่างนี้หรอกไปถึงก็ลงมือทำทำเท่านั้นยม เรื่องอะไรทั้งหมดลงมือทำเท่านั้นอาตมาจะกล่าให้ฟังเมื่อสักสองสาปีนี้โยมก็รถวนโวเก่ารุ่นสี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยถาวายให้อาตมาก็ไปกรุงเทพ เร้านก็บอกอายอมอะไรรุ่นนี้มีไหมอาตมาเป็นช่างบา่ไม่เคยรู้เรื่องเลยขอบูตรช่วงล่างทั้งหมดเนี่ยยังไม่รู้มันอะไรบ้างเขาก็จัดมาให้หมื่นต้นๆบอกอาตมาจะไปทำเองเนี่ยเอ้าท่านให้ไปลงเกองก็อดเข้าออกออกเลยรู้ไหมเนี่ยอาตมาทำเองทั้งขันโดยไม่เคยเรียนเลยยังไม่รู้ตัวนี้อยู่ตรงไหนไปเที่ยวเทียบ ถอดเข้าถอดออกทำเองทั้งหมดเลย<น>เยอมบอกว่าจะเอาส่งคู่มือให้ไหมมาไม่เอาทำไมอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวประสบการณ์เนี่ยมันค่อยๆเรียนรู้สังเกตดูรู้ทำทำเองจนเป็นทำได้ขีไ่ได้เลยนะ เออเนี่ยไปนั่งฟังฟังไปเถอะไม่ลองมือทำมันยากมันไม่เห็นภาพไม่เห็นผลของมันครั้งที่แล้วอาจารย์ระเบียบมาโดยเจอคุณให้พูดรู้ไหมอัตมาจัด นึกไงขึ้นมาปีปนั้นจัดปฏิวัติสี่เดือนในบรรษาจะททำไงรู้ไหมระบบหดนั่งยกมืออย่างเดียวหนึ่งเดือนไม่เดินจงกรมเลยเสร็จแล้วให้ไปลุกเดินจงกรมอีกหนึ่งเดือนห้ามนั่ง ท่านบอกไอก้ตอนนั่งกับพอไหวอะพลิกซ้ายพลิกขวาใช่ไหมตอนเดินมันท่าเดียวอะท่าแตกโอ้กรรมฐ า, านอะไรวะแต่หลังจากนั่งก็แล้วแต่จะทาจะเดินจะนั่งก็แล้วอะไรเกิดเก่งกับท่านนะทีนั้นก็หลายรูปอโอ้เกิดปฏิฆาไม่พอใจเจ้าสำนัก กรรมฐ า, านอะไรโอ้โหไม่พอใจมากเลยรูปหนึ่งก็เป็นลูกของพ่อค็เดียวอารมณ์สูงเข้าทำงานที่นี่ที่นั่นพอกงานอยู่เรื่อยมาบวชก็ที่แรกก็คุยกันดีก็ตามาคุยกันดีบวชแล้วก็มาอยู่ปฏิบัติเข้าปริวาสด้วยใคเขาก็ตกลงกันแล้วทำความสะอาดชำลา องค์นั่ก็รับเช็ดโต๊ะโมตอนนี้เช็ดมันไม่เอย่ไม่ลยอาตมาก็พูดเรื่อยๆบอกอ้าวเนี่ยมันไม่เอี่ยมนิดนึงนะไม่พอใจเลิกเช็ดเลยไม่เอาสอนอะไรก็ไม่เอาเดินออกกําลังอย่างเดียวเดินไวกลับไปกลับมาก็าจะออกกําลังเขาอ้วนก็ใช่ผอมไหมแต่เวลาเลิกแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์อาตมาโอกว่าเสียหาย อาตมาคิดว่าคนนี้ออกจากวัดพรมแล้วจะไม่เหยียบ ว, วัดพรมอีกแต่อะไรเกิดขึ้นโยมพอจะเข้างัรฑสามาหายแล้วขออาจารยมัณฑสาด้วยไปอยู่ที่อื่นนี่โหไม่มีอะไรเลยธรรมะสดมนก็ไม่มีปฏิบัติก็ไม่มีขอมาอยู่ด้วยโยมองอาจารย์ระเบียบนี่นก็เหมือนกัน ไปแล้วพอไปพระกชวนก้ากรุงเทพท่านอยู่นคปรปฐมไปประสบบัติเหตุขาหักแขนหักซี่โครงหักเลือดข้างในสมองแล้วก็ไม่รอดแต่ท่านบอกมีตัวหนึ่งคือมันไม่ตกใจเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่ตกใจมันรู้สึกเฉยๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองได้หไหมเจ้า อาตมาบังคับเนี่ยคนปฏิบัติไม่รู้ ه, ให้ยทำอะไรขนาดนี้ปางตายแต่ยอมปริวติมันคุมด้วยวินยัยอาตมากล้าทาเพราะว่าเขาไม่กล้าหนีต้องอยู่ในวินัยนะถึงกล้าทาอย่างนี้แล้วเนี่ยปีนี้ก็กลับมาอยูย่จำมาศอาตมาหรือปัญษาที่ผ่านมานะ พอเขาจะกลับไปช่วยงานตมาบอกให้เก็บอารมณ์ถักยี่สิบวันเขาก็คิดว่าเอ๊ะเขาก็บวชมาด้วยศรัทธาเนี่ยมาปฏิบัติตลอดทำไมจะต้องให้เขาเก็บอารมณ์ด้วยแต่เขาก็ทำตามนะถึงในใจจะท้านนะแต่เขาก็ทำพอครบยี่สิบวันเราตมาก็ได้มาพูดบอกโ oh อ้โห พอไปเก็บอารมณ์ตื่นตีสามให้ทำสามทุ่มนอนมันเริ่มเบื่อขี้เกียจที่จะลุกมาเดินจงกรมมายกมือแต่เขาก็อดทนที่จะลุกขึ้นมาทําเดินจงกรมแล้วก็ง่วงก็ไปเดินตากแดดตากแดดก็ยังไม่หายง่วงอาตามาเอ๊พอจะกลับมากลับามาทําไมหน้าดํานี่อ๋อเดินตากแดดอ๋อรู้แล้วทําไมต้องให้เก็บอารมณ์ เนี่ยเดี๋ยวปีนี้จะกลับมาเก็บอารมณนะ์ใหม่อีกนะใช่ะตัดสินใจลงมือทาแล้วเราจะเห็นผลของเขามันจึงจะเกิดความมั่นใจอีกรูปมึงมาจากสุพรรณมารอบที่สามแล้วรอบตอนออกภาสามานี้มาสองเดือนอันนี้ได้ อารมสองสามรอบใอ้บอกจะมมจามันสาด้วยพอให้ทำจริงจริงมันต้องอย่างนั้นนะยโยมฮัลโอยมไหเนี่ยยมดูนะธรรมาดูนะเจ้าคุณที่พูดเนี่ยรู้ไหมบวชท่านบอกไงบวช ด, ด้วยศรัทธา เจ้คนเนี่ยมันเหมือนเด็กอัจฉริยะอาตมาบอกแล้วเหมือนได้ยใก็เป็นเด็กอยู่บ้านเนี่ยพูดแล้วพี่ป้าน้าอาฟังไงโยมคิดดูนะแล้วเป็นคนบวชใหม่เนี่ยแล้วคิดอย่างนเนี้ยเนี่ยเพิ่งบวชแล้วคิดอย่างเนี้ยทั้งๆที่แถวนั้นไม่มีสำนักปฏิบัติเนี่ยปวดคู่กันคู่กันแม่ก็เป็นน้องพ่ออันนี้ลูกคนสุดท้องนั้นลูกคนโต บวชคู่กันพอออกจา ก, กโบสถ์ก็กรชวนอาตมาเอ้ยเราทํำกรรมฐ า, านกันไหมอตาตมานี่ไม่เคยคิดเลยเรื่องเหล่าเนี้ยแต่เขาชวนก็ทําก็ทําไปอ่ะไม่ใช่เกิดศรัทธาอะไรทํารอกเขาชวนทําก็ทําแต่มันแปลกอยู่อย่างที่มันไม่ทิ้งเนี่ยแล้วไม่ใช่ไม่ทิ้งเปล่านะ อาตมาก็ไม่รู้ตัวเองเอามาจากไหนเดินบนน้ำบาตก็ซ้ายขวาซ้ายขว า, า, ขวาหนึ่งสองในชีวิตประจําวันจะทําอะไรก็จะฉันอาหารจะอะไรก็พยายามนึกได้ก็ทําทแต่มันก็ลืมมากกว่าได้นะนยังใหม่เยอะเอใช้มาเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อไปออกเดินทุ ด, ดงด้วยกันอาตมาก็ไม่เคยไปนั่งหลับตานั่งสมาธิเนี่ย เดินก็นหนึ่งสองซ้ายขวาแล้วแต่จะนึกอันไหนได้ก็เอานั้นจะ เ, เข้าไปอยู่กรุงเทพมันก็เริ่มสติมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นสอนหนังสืออยู่ก็พยายามกําหนดรู้ดูหนังสือก็พยายามเดี๋ยวมันเผอมันก็เข้าไปในเรื่องราวของหนังสืออ่ะกลับมาใหม่พอเผอมันก็เข้าไป กลับมาใหม่ทำอย่างนี้แล้วไอ้ที่มาปฏิบัติแบบหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็เพราะเจ้าคุณนะท่านมาชวนจริงๆอาตมาจ อ, อกทุดงนะเพราะว่าทำไมเราเรียนตามตำราเนี่ยอัญญาโกนทันยะฟังแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมฟังธรรมจัก พระ อ, องค์แสดงธรรมจักรธรรมจักรพอด้วยดวงตาเห็นธรรมหมดทั้งห้ารูปแล้วแสดงอนัตตะลักนาสูตรด้วยบรรลุธรรมเออเราก็แปลได้เราก็รู้ความหมายในธรรมจักรในอนัตตะลักนาสูตรแต่เรายังไม่มีดวงตาเห็นสามสักดวงเลยทําไมมันง่ายขนาดนั้นน่ะแต่เราอ่ะ เราบวชมานี่เราก็ทำอย่างนี้ทำไมเราก็ยังขิ้โลภขี้โกรธอยู่ทำไงอ่ะออกพิสูจน์นะเลิกเรียนหนังสือเก็บหนังสือเขาทีมาเลิกออกพิสูจน์เรื่องนี้ได้ไม่รู้ใครไป หนองพักหลอดปีสามสี่ก็จะเห็นอาตมาไม่ได้ไปร่วมฉันสวดมนต์ทวัดกับเขาเลยเดินปฏิบัติตั้งแต่ตีสามยันสามทุ่มทำเดินนะไม่ได้นั่งนะนั่งไม่ได้นั่งแล้วหลับเดินทั้งวันทั้งวันทั้งวันเน่ยไม่รู้ยอมเสียมารยาท ถือว่าการเข้าหมู่คณะเป็นมารยาตทต่ังแต่นี้เรายอมเสียมารยาทแล้วไม่รู้ว่าการเก็บอารมณ์คืออะไรก็ไม่รู้หรอกไ้ยินพระเขาเดินคุยกันเก็บอารมณ์มันต้องไม่พูดไม่คุยไม่นอนกลางันทำอาถมากระเนื้ยใจเนี่ยนะเก็บอารมณ์เราทำาองเราไม่คุยกับแต่ท่านยัง คุยกันอยู่เลยเนี่ยนึกไดใจแต่าตามามีปกติเป็นยังไม่รู้เป็นเป็นยังไงนะ ป, ประโยชนไปเลยว่าเนี่ยเขาจับกลุ่มคุยกันตะามาไม่ได้ไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างทั้งๆ ท, ท, ที่เขาไม่ได้เข่งขาดอะไรแล้วแต่ทำคนเดียวก็ทำทำนะ นั้นไม่เคยไปหาใครไม่เคยไปสํานักไหนไม่เคยมีใครสอนเลยและไม่เคยไปอ่านหนังสือจากใครเลยแต่ก็ทำนึกย้อนหลังว่าเออเราก็โชคดีนะทําไมเราไม่ควยเขว่ไปทางอื่นทําไมเราไม่ทอดทุระในสิ่งเหล่านี้ มันก็ทํามาเรื่อยๆมันไม่ถึงก็โอ้โหอะไรเกิดศรัทธาเอาเป็นอาต า, อาต่มาไม่ค่อยมีศรัทธาอะไรเฉยๆแต่ทําไม่ใช่คนศรัทธาจริตแต่ทําไม่ทถึงเนี่ยเนาะก็เลยมานึกถึงอะไ ร, นะระเลยปุเพกะตะปุญญาตาการเป็นผู้มีบุญที่เคยได้ทําไปก่อน ในมงคลโสดนะเนีย่ยยอมก็มีบุญได้ทำไว้เนี่ยนะทำไมมีบุญก็ไม่มานั่งตรงนี้หรอโยอมคนหลงเยอะก็ธรรมดาเนาะปุถุชนหลงทั้งนั้นเนาะว่าขายไม่ได้เพราะเอิญว่า เรามันโชคดีนะธรรมาก็นึกถึงตัวเองเพิ่งได้โชคดีนะเมื่อก่อนเป็นฆลาวาสก็เหอมันไม่รู้อ่ะไม่รู้มกงุนแต่เรื่องการทำมาหากินอะไรเจ้าคุณท่านฟังพี่ชายคุยเรื่องสมาธิก็ไปเที่ยวเดียวกันนะซื้อทูปเทียนไปจุดส่วนบนไหว้พระก็มา นั่งสมาธิอะไรเขาตะมาก็ไม่อ่านหรอกไม่ได้ใส่ใจหรอกแต่เนี้ยแต่ว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำจริงจริงนะถ้าเป็นโยมผู้ชายที่บวชพระเนี่ยพระได้ปฏิโมกในหายากนะอย่างที่จ้คุณคุย คือก็จบปฏิโมกข์ก่อนคบมั่นสาตั้งคู่บวชพระได้เดือนเศษก็ท้องปฏิโมกจบแล้วสวดได้ก่อนครมันสาสวดมนต์เหรอได้หมดนั่นแหละเป็นหน้ามมนได้ไปหาเพื่อนคุยท่องท่องท่องท่องท่องท่องตลอด ส่วนมากไม่ได้ไปหาเพื่อนคุยบวชมาเนี่ยอยู่กับเจ้าคุณเนี่ยอยู่กรุงเทพห้องติดกันเนี่ยนั้นๆมีธุระอะไรเยอะพูดคุยถามบันทีหนึ่งไม่เคยไปหาครูบาอาจารย์ครั้งแรกไปที่เชียงใหม่ห้องติดกันเนี่ยไม่เคยเลยทําก็ทํา มันเคยยังเล่าให้นะคนที่ผู้สูญยศตาไปนะี่ยกลับไปอ่้แ <c> ต <oughs> ่ก็เคยเป็นเอ็นเรารูปมาอวดแ อ, อเคยอยู่ด้วยกันที่ลานสางที่วัตากมันต้องทำจริงไโยงไม่รู้นะอาตมาเป็นนิสิตมจอจอลรเรียนอยู่สี่ปีปีหนึ่งก็จะไปปฏิบัติธรรมสิบวันนะ นิสิตเจ็ดร้ยลูกอาตมาเนี่ยอยู่กลางศซลาเนี่ยตั้งแต่ตีสามยันสี่ทุ่มไม่เคยไปอย่างพักอย่างคนอื่นเขาเลยตีสามผ่านห้องน้ำสงน้ามาบาทใบนั่งปฏิบัติพอตอนเช้ารับบินตบาดฉันเสร็จเขาก็ไปล้างบาทอะไรอะไรอาตมาไม่ไปปฏิบัตินะอาตมามีถุงก็เกแก๊บเนี่ยเอาขาอยะใส่ถุงเช็ดบาทเช็ดไรเอี่ยมก็น่ ฉันเพลเสร็จแล้วเขาไปล้างบาตรอมตมาก็อยู่ตรงนี้ตอนเย็นเขไปพักสงงน้าอมตมาเขาปฏิบัติรตรงนี้เลิกสีทุบอมตมาเขาตะ า, ายบาตรไปผ่านห้องน้ำส่งน้ำเข้ากดหวนออกครั้งเดียวเข้าครั้งเดียวทำอยู่อย่างนี้ไม่สนใจใครจะมองไงไม่สนใจ ใครจะว่าไงไม่สนใจเรามาปฏิบัติไปวั ส, สนามนายไปเก็บอารมณ์ไม่มีห้องเก็บอารมณ์หรอกทำกลางที่โยมเดินเต็มเนี่ยแต่ไม่ยุ่งกับใครตื่นเวลาไหนทำเวลานั้นตื่นทีสามทีสองทีหนึ่งเที่ยงคืนตื่นก็ลุกขึ้นเดินจงกรมแล้วไม่นอนถ้าไม่ถึงสามทุกไม่นอน มันจึงจะเห็นผลนะโยมมาไม่รู้พูดอย่างนงี้กลัวไหมเนะก็รเราต้องการอะไรอ่ะฮต้องการสิ่งนี้ไหมเหรอ ่ว่าแต่รูปแบบนอกรูปแบบอาตมารเรียนอยู่ว่าบอกสอนตัวเองทุกวันเลยวันละหลายรอบเคยถ้าแกลอมมีรูปแบบเดินจงกรมใ น, นชาตินี้แกไม่มีทางออกแตงชาตินี้แกไม่มีทางอาตมานี่โอ้โหจะเรียนหนังสืออาจารย์พูดไปนั่งเขียนทำความรู้สึกตัวจนพระเขาทักอาตมานะ หลังจมากมาเก็บอารมณ์ที่แพ้กลับไปปี51 52เจอพระอาจารย์ทาไมทาไมเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่เหมือนเมื่อก่อนไปนไงรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้วเมื่อก่อนไปนไงดูแข็งแข็งก็บอกเออใช่คนเราเนี่ยหัดขี่จักรยานไม่เป็นเนี่ยเป็นธรรมชาติได้ไหมได้ไหมไม่ได้ พอเป็นแล้วมันเป็นธรรมชาติเองได้ไหมใช่มันต้องทำให้เป็นก่อนแล้วมันจะเป็นธรรมชาติแล้วพอขี่จักรยานเป็นลืมไหมนี่แหละทำให้ถึงตัวเป็นซะเนี่ ย, ยงไปยอมต้องคิดดิแก่ถามอาตมานื่มาลายเราจะเลิกยกมือก็ททำให้เป็นเราจะรู้ได้ไงเราเป็นอาตมานึกได้ โยมขี่จักยานเป็นไหมเป็นแล้วใครบอกโยมอ่ะใครบอกก็ถูกต้องไม่ต้องกูว่าว่าจะ ต, ต้องมีใครบอกไม่มีใครบอกตัวเองกินข้าวไม่รู้ไงตัวเองอิ่มอะใช่ไหมไม่รู้ได้ยังไงอะตัวเองว่ายน้ำเป็นก็ต้องรู้สิใครจะมารู้แทนเราได้ใช่ไหมแต่ตมา เคยถามเขาว่าขณะที่เราหัดขี่กยานมีความรู้สึกกลัวไหมเก่งไหมแล้วพอขี่เป็นแล้วเนี่ยตัวกลัวตัวเก่งหายไหมเราไปละมันรู้มันหายเองนี่แหละอาการต่างๆไม่ต้องไปละที่จะคุณบอกว่าเราทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะอะไรอุปทานทําไมไม่อุปทาน เพราะอะไรจึงมีอุปทานเพราะอะไรอะไรนะ อ, ะ อ, อยึดมั่นในอุปทานล้แต่เพราะอะไรจึงมีอุปทานเอาไปเอยเล ย, เ, ลยเพราะไม่มีสติตั้งหากล่ะเลาเมาฝึกสติทำไมล่ะใชยไหมพะมีสติแล้ว อุปทานมันหายไปนะสติเรามาฝึกสตินี่แหละเพื่อให้อุปทานมันหายมันลดไม่เกิดปรปทานเนี่ยไอตัวรู้สึกตัวเนี่ยแล้วยมเนี่ยที่บอกมาจากอเมริกานะอะไรเนี่ยเกน่างคุย ฉันตามดูจิตก็โยมตามดูทําไมอ่ะได้อะไรอ่ะฮะอตาต ม, มาก็ถามว่ากายเนี่ยเห็นจิตได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ได้จิตเห็นกายได้ไหมไอ้าวตอนเราเห็นกายนจิตไปไหนก็ <c oughs> น, นั่นเองจะไปตามดูอะไรให้เห็นกายสิจิตนี้ด้อยู่กับกาย กายนี่เห็นจิตไม่ได้แต่จิตนี่เห็นกายได้เขาจึงเอาเออไม่มาฝึกวิธีไหนลมหายใจเข้าหายใจออกลมก็เ ป, ป็นรูปร่างกายก็เ ป, ป็นรูปไอตัวรู้นั่นเนะี่ยเอาอะไรมารู้ละ่ะที่รู้ว่าลมเข้าไปอะอะไรรู้เออเห็นแค่นี้ก็พอเลยไปตามดูอะไรอะไปตามดูธราภาษาลโมเทียนก็ตามไปปรุงแต่งนะ เอาจิตอาตมาเคยอ่านหนังสือหลวงพ่อเทียนที่มาปีสามห้าครั้งหนึ่งเนี่ยอาตมาถือคําพูดคําเดียวของหลวงพ่อเทียนเขาถามหลวงพ่อเทียนว่าเอาความคิดดับความคิดเป็นยังไงหลวงพ่อเทียนบอกเอาเหรียญบาทใส่มือแล้วเราเอามืออีกอันหนึ่งไปกำรรเขาไว้พอคิดถึงเออไปคิดมันทําไมเนี่ยปรงแต่งต่อใช่ไหม ปุ้งแต่งต่อแตองบุเชียนบอกว่าแล้วเอาความรู้สึกดับความคิดเป็นไงพอเลื้อนบาดใส่มือกับทิกมือเหมือนเต ะ, ะมันคิดเรื่องอะไรก็ช่างกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวซะกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวเสียความคิดมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างกุยกระสกด่าว เ, เดินจงกรมอยู่ที่แพร่ที่ห้านึง เห็นไก่แจ้ไก่ป่ามันหากินอยู่ก็คิดถึงเรื่องไก่แจ้ไก่ป่าคิดตรงแต่งเรื่องมันแต่สงสัยเอ๊ะเที่ยวนี้ทําไมเราคิดถึงเรื่องโน้นแต่ความรู้สึกตัวเรายังเห็นอยู่อะเห็นมไหมทั้งๆที่คิดเน่ะแต่มันเห็นอยู่สมาร์กเออหรือหรือเราบรลลุธรรมเ้ยดูมานนานๆเพราะเวลาได้อารมณ์เนี่ยใช่ไหม จิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปไหนใช่ไหมจะรู้สึกตัวตัวพร้อมดูนานๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีตั้งแต่นั้นมาต่อมาก็ไม่เคยกลับมาเก็บอารมณ์เองเลยจึงรู้อ๋อเป็นมันเป็นอย่างนี้เองที่พระท่านทั ก, กว่าทำไมเดี๋ยวนี้อาจารย์เป็นธรรมชาติไม่เหมือนเก่าคนขี่จักรยานไม่เป็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไม่ได้ ใครปฏิบัติมาแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วเห็นความรู้สึกตัวนั่นแหละเมื่อโดยวิธีไหนทั้งหมดเลยถ้าบอกแขนปฏิบัติได้แล้วเรายังคอยจ้องคอยระวังอยู่อย่างเพราะฉะนั้นวิธีหลวงวทียนไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลย เอาเรื่องเดียวเรื่องความรู้สึกตัวอย่างอื่นอะไรไมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันไม่ต้องไปใส่ใจสนใจใหรอกเพราะพระพุทธเจ้ามีสติสมบูรณ์จึงเป็นพระพุทธเจ้าสติคืออะไรก็คือความรู้สึกตัวนี่แนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทําอะไรรู้สึกตัวตลอดการตลอดเวลาไม่คาดเคลื่อนไปไหน ก็นนแหละอาตมาถึงยกว่าขี่จักรยานเป็นอาตมาขี่เป็นตั้งแต่เป็นเด็กแล้วบวชมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่ได้ไปขี่จักรยานแต่มันยังขี่เป็นมันไม่หายไปไหนไม่ได้ไปใส่ใจเนี่ยยมปฏิบัติไปพอไปถึงจุดนั้นมันจะรู้เองไม่ต้องไปมันจะมันจะไม่ ไม่เกิดความใส่ใจขึ้นเองเป็นอัตโนมัติเลยจะรู้สึกตัวเนี่ยแต่ว่าต้องตั้งใจทำต้องอดทนอดทนต่อนิวร์ทั้งห้าเห็นไหมธรรมานุปัสสนานี่พูดถึงอะไรก่อน นิวรห้ามีทุกคนไม่เลือกว่าใครพอเป็นแล้วเนี่นิวรห้าสบายมากนะมันต้องต้องตรงแต่ว่าไม่ใช่เป็นละหมดกิเลสเลยมยยัง แต่ว่าเป็นแล้วมันก็สบายกว่าเขาชีวิตเบาสบายมันจะดีขึ้นดีขึ้นไอาการเสื่อมลงไม่มีแต่ว่ามันต้องโอ้เนาอนะอาตมาก็ไม่อยากพูดแล้วพูดแล้วเหมือนก็โอ้โหมันต้องอดทนน่ะอดทนเคยพูดฟังแล้วอดทนอดทน ไม่ใช่อดทนธรรมดากัดฟันทนด้วยกิเลสนรินจริงมันไม่มีอะไรมากแต่เวลามันเบื่อขึ้นมานมันมันไม่อยากจะทำบางคนหนีกลับกระเพาะอย่างนี้เนี่ยเขาเบื่อนอยโอ้ยไม่ไหวมีตัวนี้ยมีพระสองรูปมาจากอิสาน มอยู่ปริวาสที่กัลตามานะเขาบอกว่าวัดผมเนี่ยปฏิบัติเข้มอยากมาลอง อ, อยากมาลองเอาพอได้สีวันนะโยมผมเก็บกดเก็บบาตขอลากลับแล้ว <c> เ <oughs> บื่อทนไม่ไหวนี่ก็ขนาดมาลองนะมาอยู่ไปริวาสนะตามาก็บอกนี่ท่านนะท่านกําลังจะเสียโอกาสนะ คนที่เกิดอาการอย่างนี้แสดงว่าปฏิบัติได้ดีแต่กำลังจะพ้นจากอารมณ์ตรงนั้นจะข้ามอารมณ์ตรงนั้นถ้าท่านไปท่านไม่พ้นตรงนั้นน่ะท่านจะคือหนึ่งเสียวกาสก็คือว่าโอ้ยวิธีนี้ไม่เอาแล้วเลิกจะไม่มองเลยอพอพูดอย่างนั้ก็อยู่ต่อ อยู่ต่อได้อีกสองวันองค์หนึ่งกลับอีกองค์หนึ่งยังอยู่องค์ยังอยู่กับไม่กลับผ่านอารมณ์แล้ววันหน้ามาก็มาอีกมาปฏิบัติอีกเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นน่อัตมาคนมันต้องอดทนโอ้โหเล่าใ้ฟังมีชีรูปหนึ่งเขาเป็นคนซีเรียสมาก ซีเรียสเรียกว่าทั้งวัดไม่มีใครถูกกับเขาเลยอ่แม้กระทั่งมกตายกกอยู่ได้เพราะเจ้าว่าเจ้ว่าก็ไม่ได้อยู่วัดนั้นแต่เป็นรักษาการวัดนั้นเข้ามาสร้างวัดเขาไว้อยู่ไปฮะปฏิบัติไปเขาเป็นคนนั่นน่ะเช่นเอาขบข้าวไปให้อแม่เอาขบข้าวมาให้แต่เขาทําไม่รู้ไม่ชี้ไม่อยากได้ใครหมากินไปให้หมากินๆนะอะไรอย่างนั้นอะ ต่นี้มีชี้คนก็ชวนมาปฏิบัติอัมมาก็ถามว่าใครจะปฏิบัติเข้มอ่ะเายกมืออชี้ชอบปฏิบัติแล้วอ๋อชอบที่สุดเลยอัมมาตอนนั้นโอ้โหอ้าวเจ็ดวันทงไมเดินอย่างเดียวห้ามนั่งเขาก็ทำข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ตอนหลังก็มาเนี่ยมา เคยาไปทางอีสานอะไรไปเขาก็ไปเรียนปฏิจสมุบบาทไปเชียงใหม่แล้วก็สนใจเรื่องนี้บางทีมาถอดเทพ่ทอดอะไรพอไปเที่ยวที่สามอาตมาก็ชีเคยนั่งอย่างเดียวไหมไม่เคยเอลองที่เจ็ดวันนะนั่งอย่างเดียวเขาก็นึกในใจโอ้เคยเดินมาเจ็ดวันไม่ต้องนั่งก็ทํามาแล้วนั่งยกมือแต่เขาตรงเวลานะเขามีความอดทนสูงนะ ตืนที่สามเข้ามาแล้วใครตื่นไม่ตื่นเขามาทําแล้วสามทุ่มถึงจะขึ้นนอนภาวันที่สามเมยโยเมืออะไรเกิดขึ้นรู้ไหมมันเบือ่อหมดอะไรตายอยากในชีวิตที่สุดเลยลไห้แล้ว ห, ห, หลังจากจบคออะไรเกิดขึ้นรู้ไหมกลับไปวัดแล้วไปกราบขอโทษเขาั้งวัดได้อ่ะ เห็นไหมทิฏฐิมันลดได้เลยอุปท า, านตัวตนมันลดเลยแล้วแค่เจ็ดวันทำอย่างเงี้ยละคุมไหมละ่ะบอกฉันไม่ไหวฉันร่างกายก็นั่น น, ะ <c oughs> น่ะนะพู้เจ้าบอกวยะธรรมมาสังฆา สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพระเจ้า ธ, ธรรมดามันต้องไปอย่างนี้สังขารอย่าไปอะไรกับมันมากนะักมันเป็นอย่างนี้เองใช่ไหมล่ะอาปมาเทนะสัมปมาเทสะเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาได้ถึงป้อมเถิดความไม่ประมาคืออะไรคือการไม่อยู่ป่าจากสติมีสติ เนี่ยพรุทธเจ้าไม่ได้บอกคนมีปัญญาสมบูรณ์และเป็นพระหันติสมบูรณ์พุทธเจ้ามีปัญญาในการแสดงธรรมในการพูดในการลายมากกว่าสารีบุตรสาลีบุตรก็มีมากกว่าโมคลานะไม่เท่ากันแต่สติที่จะเป็นพระหนันตินี่มันเท่ากันคือความรู้สึกตัว ใช่ไหมเนี่ยสติไม่ใช่เรื่องอื่นนะมีสติเรามาฝึกสติไม่ได้มาฝึกอย่างอื่นอย่างอื่นมันก็อยู่ด้วยกันไปอย่างนี้ตายังเห็นรูปเหมือนเดิมหูยังได้ยินเสียงเหมือนเดิมจมูกได้กลิ่นเหมือนเดิมลิ้นได้รสเหมือนเดิมไม่ใช่หมดลดหมดชาติไปไม่ใช่ใจมันมีปกติคิดก็คิด ปกติของใจมันคิดอะแต่คนมีสติเนี่ยมันไม่หลงคิดคนยังมีสติไหมนั่นไปไงอะเคยสังเกตตัวเองเป่าล่ะคิดเรื่องนี้ไปหลงเรื่องไหนยังไม่รู้เลยพอมารู้เอา้าเราคิดมากี่เรื่องวะลองไม่เชื่อไปนั่งคนเดียวสิจริงไหมอ่เนี่ยมันหลงคิดเนไแต่พอมีสติสติมไม่หลงมันก็เห็นนะ ไม่ต้องไปทำอะไรมาฝึกสติอย่างเดียวเดี๋ยวมันเห็นหมดเองอาจารย์มหาอาตมาปีสามห้าออกภาษาแล้วมาปฏิบัตินะมหาดคูความรู้สึกตัวเจ็ดสิบนะดูความฟีตุกสามสิบนะปกติอาตมาไม่เห็นด้วยอาตมาก็ไม่เคยพูดอะไรล่ะลวก็บอกอาจารย์ผมเนี่ยเดินจงกรมประมาณสิบห้าเก้าสิบสองเก้าเนี่ยผมยังไม่รู้หมดถูกเก้าเลย เราจะให้ผมไปดูอย่างอื่นนะคงไม่ไหวบอาจารย์ก็บอกดูได้หลายอย่างเลยนะขัางกลับไปอาตมาก็เอาอย่างเงี้ยเนี่ยสิบกว่าเก้ากให้รู้ได้ก่อนรู้ได้บ่าล่ะโมตุก้าไหมทั้งวันเนี่ย <c oughs> แล้วจะไปเอาอะไร ก, กันฮะแล้วจะไปดูอะไรอีกเอาเรื่องเดียวให้ได้ก่อนนะเนี่ยฮล้วจะไปดูเรื่องอื่นอีกหลยอยากจะรู้เรื่องอื่นอีกเรื่องเดียวให้รู้ก่อนนะเนี่ย จริงหรือปล่าล่ะแล้วเขาจะมาเจาะจงให้ฝึกสติทําไมอ่ะถ้าเขาไม่ต้องการเรื่องนี้จะมาเจาะจงให้ฝึกสติทําไมคืนโยมบอกว่าแม่จิตมันไม่เป็นหนึ่งโยมจิตเราเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ได้ฝึกก็เหมือนนกที่บินตามธรรมชาติน่ะแล้วใครจับนกใส่กรงแล้วนกเชื่องเลยได้บ้างอ่ะ มก็นั่นน่ะสิแล้วรู้ไหมตัวเองจะใช้เวลาเท่าไรเลี้ยงนกนเชื่องอะ่ะกาหนดได้ไหมล่ะก็นั่นนะเนี่ยจิตเราก็เหมือนกันนะนกเชื่องเนี่ยมันไม่บินไม่ได้เลยเหรอมันก็บินได้ธรรมชาติแต่มันไม่ตื่นกลัวจิตเราเชื่องแล้วมันก็คิดของมันคิดแบบไม่ลงคิดนะเป็นธรรมชาติ เราไปหลงเชื่อจิตนะจิตมันสร้างมายาเห็นมันหลอกเราต้องมาต้องใครชอบเล่นหวยนะลองเตะพอซื้หวยปุ๊บโอ้โหตะกุดถูกปุ๊บชุดน้นนี้นั่นนี่ไหมสร้างมโนภาพหลอกหลอกสารพัเนะเคยเห็นไหมหลวงพ่อเทียนพูดหลายฟังอ่ะให้การเข้าไปในความคิดเหมือนเรา เข้าไปในก้อนเมฆเนียมัดไม่เห็นอะไรเลยแต่ถ้าเรามานั่งดูก้อนเมฆจะเห็นเปลี่ยนเป็นรูปนั่นรูปนี้ใช่ไหมหลวงเทยียนังบอกว่าไม่ให้เข้าไปในความคิดแล้วใครที่ยังไม่มีสติเนี่ยไม่เข้าไปในความคิดได้อะใครบ้างไม่มีอเดี๋ยวก็เผลอเข้าไปอยู่ในความคิดหมดใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายังมีสติไม่พอมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะใครๆก็เป็นหมดรหน้าที่ของเราคืออะไรฝึกสติฝึกสติไม่ต้องไปเอามากเรื่องเดียวแต่ทำในทุกอยียาบทนี่ขนาดมาเข้าโรงเรียนนะ เหมือนเมืมาเข้าโรงเรียนรวมกันมีคนคอยเตือนมีคนคอยบอกแต่พอออกนอกกลุ่มนอกรูปแบบคุยกันแล้วเห็นไหมนั่นเหรอความจริงใจเหรอแค่นี้ยังเอาไม่ได้แล้วกลับไปบ้านก็ไม่หมดเหรอใช่ไหมมันก็ยากนะ <c oughs> โอ้ไม่ไปพมา่าเนี่ยมองหน้ากันสามครั้งเขาไล่กลับเลยเดี๋ยวนี้คนไทยไปพมา่าเยอะนะเนี่ยพึ่งกลับไปเมื่อสิ้นเดือนเนี่ยดรสาธดรนายแพทย์เอาตัวไหนก่อนนายแพทย์สาธดราจารย์ดเรเอตราตัวไหนก่อนดรศาธดราจารย์ เ, เาานีแพทย์อ่ะยแพทย์จบ ก, ก่อนนะ จบก่อนด็กเตอร์จบก่อนศาสตราจารย์เนะ <c oughs> าะศาสตราจารย์ดกเตอร์ในแพทย์นะแพทย์หญิงกิษนารัตนชาลีใครรู้จักบ้างทำงานอยู่กับ u ูเอนจนกระทั่งปกเกษียณจน UN เอให้เครื่องขึ้นเครื่องบินได้ทั่วโลกตลอดชีวิตโดยไม่ต้องเสียเงินคุยก็อาตามาเมื่อสิบกว่าปีที่วัสนามในครั้งเดียว อตาตมาก็ไม่ได้เคยติดต่ออะไรเลยอยู่ๆมาเมื่อปีใหม่มาหาอตาตมาบอกก็มาสองสามเที่ยวแล้วเข้าวัดไม่ถูกโทรมาจะมาสวดมนต์ข้ามปีด้วยก็มาไม่ทันมาไม่ได้ก็ไปแวะทังสระบุรีพอดีพระทังสระบุรีก็ามาส่งอตาตมาก็ขึ้นไปเหนือกลับมาไรวันที่สี่อ่ะเขาก็อยู่รอที่วัดอตาตมาก็ไม่คิดว่าเขาจะมาปฏิบัติหรอก คุยเขาก็บอกว่าเออเราเริ่มนั่นก็มาสนใจเพราะบรปลายของชีวิตแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงรู้ไหมบรรปลายของชีวิตแล้วเนี่ยถ้ายังไม่พ้นทุกข์อยากจะกลับมาเกิดอีกก็ขอย้าให้ต่ำกว่าชาติปัจจุบันขอย้ให้ต่ํากว่านี้ถ้าดีได้ก็ขอให้ดีกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้พ้นทุกข์ชาตินี้ไม่อยากมากลับมาเกิดอีกเขาคิดอย่างนี้ เขามาปฏิบัติเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาบอกโอ้ยแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรไม่ได้อกหักอะไรทำไมจะต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยเพื่อนกับคิดอย่างนั้นแต่เขาไม่ใช่ก็บรรทายชีิก็ต้องเขากลัวอย่างนี้กลัวจะเกิดถ้ายังไม่พ้นทุกข์ยังเกิดอีกเนี่ยควรจะต่ำกว่าชาตินี้ยังไงก็เสมอชาตินี้เขาคิดอย่างนั้นก็ไปที่มอจลอไปปฏิบัติ ปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็อธิการบดีรู้เขา้าก็เลยมาคุยเรียกมาคุยคุยแล้วขอร้องขอร้องให้ไปพมา่าเพื่อจะกลับไปช่วยสอนนิสิตนานาชาติก็เลยส่งไปพมา่าส่งไปพมา่พมาพม่าก็ซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอ หนึ่งเดือนก็ทํายอะ้าย่างหนอขวาย่างหนอแค่นั้นแนหะวันนี้ครบเดือนแล้วก็ยังระยะที่หนึ่งอยู่ก็เก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าทุกอย่างเก็บใส่กระเป๋าหมดเลยแล้วก็ไปสอบอารมณ์พออาจารย์สอบอารมณ์เสร็จก็บอกอ้าวไปทําระยะที่หนึ่งต่อโอ้โหเท่า น, นั้นแหละบอกว่าหมอเนี่ยเรียนจบหมอมา ทำปริญญาโทรปริญญาเอกทางานมาไม่ใช่ว่าเป็นตาสีตาสาไม่รู้เรื่องอะไรทำไมยังให้ระยะที่หนึ่งอีกทำไมไม่เลื่อนให้เป็นระยะที่สองพูดแต่พระก็นั่งเฉยฟังพอผู้จบแล้วเป็นไงพระเขาถามสบายใจยังสบายใจหรือยังรู้ไหมเนี่ยตั้งแต่ปฏิบัติมาหนึ่งเดือนสอบอารมณ์วันนี้ดีที่สุดเลย แล้วถามว่าคุณเนี่ยเป็นตัวแทนของมอจะรอส่งมาใช่ไหมใช่อธิการบดีส่งมาเพื่อจะไปเป็นอาจารย์สอนนิสิตใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้ไม่รู้จริงไม่ได้เสียชื่อหมดปล่อยไปง่ายๆไม่ได้คุณกลับก็ไม่ได้พอไปที่นั่นหนึ่ ง, ห, ง, ห, งห้ามมาซสับไปห้ามพกเงินไปไปถึงพัสดุ์เก็บหมด กลับก็ไม่ได้รู้ไม่จริงเสียชื่อหม ด, ดนเนี่ยเยอะกันได้เนี่ยเอามั้งไหมรู้ไม่จริงเสียชื่อหมดนะเสียชื่อโมเทียนด้วยนเนี่ย <c oughs> อย่า ก, กลัวสิเนี่ย หลายรอบนะทำไมมาวัดพรมไม่รู้เขาบอกเขาก็สอบถามอะไรมาหวังว่าจะมาก็ ว, าวัดพรมในี่เข้ม่ะแล้วมาเรียนรู้ทำไมบอกว่าคนต่างชาติส่วนมากเนี่ยเขารู้จากวิธีลงพระเทียนนะ่ยวิธีลงพระเทียนเนี่ยยิ่งประเทศจีนตเ น, นี่ยนะ วันที่สิบแปดอาตมาจะไปลาดบุรีอำเภอปากทอ่อมีคนจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณสี่สิบกว่าคนมาเข้ามาทุกปีหลายปีแล้วมาพอเข้าคอตรงนี้ถึงวันที่ยี่กแล้วหลังจากนั้นถ้าไปวัดป่าสุขดโตที่ชัยภูมิไปโกนหัวบวชชีบวชพระอีกประมาณสองเดือนจะประมาณนี้นะแล้วก็กลับประเทศ คนจัดเนี่ยคนจัดก็เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่มาสอนหนังสือที่ประเทศไทยแล้วแต่งงานกับคนไทยสักยี่สิบกว่าปีแล้วจนพูดภาษาไทยได้และชอบปฏิบัติเนี่ยจนกระทั่งมาบวชชีนะโอ้โหสามีอ้อนวอนให้กับให้ศึกกลับไปอ้อนวอนแล้วออนเยบอกได้แต่จะทําอะไรนี่ห้ามมันก็จะไปจัดที่ประเทศจีนปีละหกคอร คอร์ดเประมาณสองร้อยคนรับจำนวนจำกัดเพราะอะไรประเทศจีนห้ามชุมนุมกันมากเขาจะหาไว้ปลุกระดมอาตมาไปได้ครั้งเดียวตอนหลังก็ห้ามาเข้าเลยแล้วเขาทำจริงๆนะเขามีระเบียบหนึ่งเก็บโทรศัพท์สองห้ามนอนกลางวันห้า ม, มาคุยกันถ้าใคร คุยกันครับเขาจะให้มันนั่งคุกเข่าสำนึกต่อหน้าพระพุทธรูปเนียคนจริงก็ถือว่าลงโทษอย่างนี้น่าอายมากนะแต่อาตมาไปพูดอาตมาพูดยังไงบอกโยมกล่าวอุตส่าห์ลงทุนมาแล้วเนี่ยเขบอกว่านักรบต้องการจะเป็นนักรบข้าเขาลงสู่สงครามแล้วถ้ากลัวตายก็แพ้เขาตั้งแต่ ยังไม่ทัลบแล้วใช่ไหมจะเป็นนักปฏิบัติหรือยังกลัวอยู่เนี่ยแพ้และแพ้กิเลสตัวเองแพ้ตัวเองอะ่ะ <c oughs> กฎระเบียบไม่ใช่เรื่องสำคัญเราสามารถบงค์้นมาจากปักกิง่งกว่าจะมาถึงกวางโจวใช้เวลาห้าชั่วโมงครึ่งห้าชั่วโมงกว่าอาตมาไปจากประเทศไทยใช้สองชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงครึ่งนัง้นเอง บางไกลก็การจะอุตส่าห์ลงทุนขนาดนี้เราจะมาทําไหนอาตอมาถามไหนใครคิดว่าจะไม่พกักกลางวันเลยทานอาหารเสร็จแล้วก็ปฏิบัติเลยยกมือสิบกว่าคนคิดดูตัวเองทําได้ <S <S <S <S พอลุเครื่องอาตมาถามอีกไหนใครทําได้บ้างยกมือไหนใครทําไม่ได้มีอยู่สองคนยกมือทําไม่ได้ ทาไปทามาทุกคนก็ออกไปเดินหมดเลยไม่มีใครพักเลยทำมันกันหมดเนี่ยโยมเนี่ยดูที่เนี่ยมัคงไม่คว่ทุ่มเททุกอย่างเราก็สามานะนดูจานดูขยันน่าดูใช่ไหม ไม่เคยหยุดนิ่งเลยอาจารย์เนี่ยโ ห, โหขยันจริงๆทำงานอะทุกอย่างขยันขยันออกค่ายขยันโนู้นเี่ยรุนลรกๆนั่งสักดานะ่ยเดี๋ยว้าออกโน่นพ้าออกนี่จัดค่ายจัดดูแลโหทมทุกอย่าง เราทำแล้วอ่ะเนาโอ้โหต้องเมื่อเจอวิธีดีๆอย่างนี้นะทำฉลาดในการทำในการอยู่มากเนี้ยนะยังคุยกับโยมเนี่ยไม่ยมอยู่กับมาเนะี่ยเจ้าคุณก็คุยมาคืนเนะี่ยยมนงยมนองอดังนะเออ โยมโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะโยมนงเนี่ยตมาสังเกตขณะนั่งคุยกันก็ท่านเนี้ยบอกกระทั้งหลับเวลานอนก็ท่านเนี้ยพิกตลาดโยมว่าตามาน่นนะที่วันหนึ่งลูกสาวถูกรถชนตายไม่มีพาระขมิ้นกาบอกอะตามาบอกโยมนงลูกสาวถูกรถชนตายเออของมันตายก็ได้ฮะส่วนขึ้นมาเลยเออของมันตายก็ได้ เยอน่นมันนาน่ะพอดีโยมอายายเวียงเขาไปอยู่ด้วยเขาก็จะไปหาหมอกันเขาก็จะพาอยายเวียงไปหาหมอยาเวียงก็เอ้ยแกไปดูลูกแกเสอยไม่เป็นไรมันตายไปแล้วไปดูมันก็ไม่ฟื้นแล้วเอาคนดีไปหาหมอก่อนดูเถิดูเลยอาตมาบอกเอางั้นแยกกันนะเดี๋ยวโยมนงไปกับอาตมานั่นนายยาเวียงก็ไปพาไปอาตมาก็ถามบนรถว่า มันไม่มีเลยเลยใช่มันก็บอกว่ามันขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วมันก็นหายไปเลยแล้วมันก็ไม่เกิดอีกเกมไม่ได้อยู่นิ่งนะอยู่วัดธรรมานนะทำงานหลังวัดได้เตียนหมดขอออกกาลังแต่ความทาความรู้สึกตัวด้วยธรตมาสังเกตเขาจะนั่งคุยาาก็ยังไงเก็จะไปนั่งฟังไงกขจะก็พลิกมือกันตลอดอย่างเงี้ยไม่เคยหยุดนิ่งเลย เล้อกเลานอนก็นอย่างเงี้ยจนก่อนหลับจะหลับเมื่อไรก็เรื่องมันพลิกไปเรื่อยมันไม่ใช่ธรรมดานะธรรมาก่อนเสียชีวิตเลยอายุแปดสิบเจ็ดชวนไปขึ้นเขาองค์พระจันทร์คนอื่นโอ้ยฉันแก่ไม่ไหวลวพระนั่งยังไม่ไหวเลยเดี๋ยวก่อนพอธรรมาชวนโยมลงไปไหมเดี๋ยวก่อนทำไง บันไดสลามีสิบหกขั้นเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงสิบเที่ยวนับหนึ่งเดินขึ้นเดินลงสิบเที่ยวนับหนึ่งทำอยู่ห้าสิบเที่ยวจนเหือโชคตัวไปแต่ขึ้นข่าววงวระจันทร์มาสิบสองรอบอายุแปดสิบเจ็ดสามพันเจ็ดร้อยกว่าขั้นแล้วมันจะขึ้นลงอย่างนี้นะข่าววงวระจันทร์มันขึ้นอย่างเดียว ขึ้นอย่างเดียวใครทาเป็นเก่งเดินชับชับชับชับขึ้นไปอ่ะเสร็จหมด <c oughs> แต่ตอมามีวิธีเนะี่ยที่มีวิธีเพราะอะไรอะ่ะเพราะเคยหลอกเนะี่ยมาบังหลวงพ่รรอบุถธำเนี่ยขึ้นยอดเขาที่แพ่เนี่ยที่ถ <c oughs> ำจักรพัฒยอดเขาที่พระสจ้าอ่งเะดียนะโอ้ยผมอายุมากแล้วเอ่เดี๋ยวผมจะหลอกขึ้นไป ชวนพ่อผมถามเดินคุยมองโน่นมองนี่คุยไปเรื่อยเมื่อถึงยอดโดยไม่ไม่เหนื่อยอ่าถึงยอดนะพ่อนะแต่ขาขาผมไม่หลอกลงนะไม่อยากลงก็เรื่องพ่อนะ <c oughs> ตอนนี้พอขึ้นเขออาอาุจจันตมาก็เดินแบบกําหนดรูปตัวไปเพราะเหนื่อยก็ให้ช้าลงโดยตั้งแต่ต้นยันยอดไม่ต้องหยุดเลย ปี่น้าจะมาไปขึ้นไปสามสิบกว่าเที่ยวสี่สบกว่าเที่ยวแล้วตอนหลังๆเนี่ขึ้นสองเพราะถึงยอดเราลงมาแล้วก็ขึ้นอีกเที่ยวไปใหม่ออกกำลังยันนงก็ขึ้นต้นเนี่ยยันยอดไม่ต้องหยุดนะก็ได้วิธีจกักรตมาบอกค่อยๆขึ้นไปมันเหนื่อยก็ค่อยๆลงไปอีกจ้าอีกไม่ต้องหยุดเดินไปเรื่อยๆคนตอนนั้นช่วงตุรจีนเนาะคนไปเยอะ ยายอายุอะไรละแปแปดสิบเจ็ดโอ้ 87. โหแปดสิบเจ็ดนี่ตายเนี่ขอให้ใหญ่ไม่เป็นไรนั่นเลยไปก็ไปแล้วก็จริงด้วยแง่แกกำลังจะต่างสือพิมหน้าเมนเนะี่ยโงนเงนเเินโโงเงินก็เห็นโกโยงก็เดินจังคมอยู่เขาก็ไปประคองแล้วแกก็ไปนะ คนมีสติโยคนมีสติเนี่ยไม่ต้องง้อลูกง้อหลานลูกเปล่าอยู่ลูกมันต่อว่าไงแม่ไปอยู่วัดเนี่ยทําเหมือนไม่มีลูกไม่มีหลานเลยนะเออพวกมึงคิดถึงผูก็มาสิไม่เคยอ้อนไปหาใครมึงอยากคิดถึงมึงก็มามึงไม่มากแล้วไปจริงๆไม่มี ตอนไหนป่วยลูกรับไปอยู่บ้านนี่ยังไม่หายดีเลยบอกลูกหายแล้วขับไปอยู่วัดไม่เคยอ่อนไขเลยเนี่ยกรรมฐานช่วยได้ืใครคิดถึงอินูที่บ้านแย่นะตัวนี้โยมเนาะอาตมาก็โชคดีตรงเนี้ย มามาใส่บารมีโยมพิคุณส่งเป็นโตประจำมาถึงก็ได้พระหลายๆรูปที่เขาอยู่ที่วัดแพร่แสงเทียนอาจารย์ดีเนาะมาถึงก็ได้เก็บอารมณ์เลยมาถึงก็ได้เก็บอารมณ์เลยก็มันก็ดีไปอย่างหนึ่งที่เราอยู่วัดก็มีโน่นทำนี่ทำนั่นทำแต่ตมาก็เป็นคนที่ทำงานแบบพยายามนะตั้งแต่ยังไม่เจอวิธีมาเทียนกวาดลานวัดก็พยายาม มันเพลินน่ะกําหนดมันเพลินแล้วเดินไปเดินมาไม่ได้สนใจะคุยขาจัดงานเนี่ยจนพระที่เขาไม่อยู่ไปเลว่าเนี่ยเขาบอกเสมอต้นเสมอปลายอาตมาทํางานก็ทําเราก็เดินไปเดินมาก็พยายามมีสติก็รู้ตัวนี่ตั้งแต่ยังไม่มาปฏิบัติอย่างนี้นะทําอยอะแต่ว่า ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ค่อยเห็นนะแต่พอมาปฏิบัติครั้งแรกหนึ่งเดือนครั้งแรกเห็นกลับไปโอ้โหเราเนี่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเรามาอยู่เดือนนี่มันคุ้มค่าเลยแต่ถามว่าท้อไหมโอ و, โ้โหโยมไม่ท้อได้ยังไงเราก็ทำ มันต้องกัดฟันทนมาตลอดแล้วก็ทำทำมันเหมือนเหมือนเหมือนจะไม่ไหวแต่มันก็ยอมตายนะตอนนี้หลังจากนั้นแล้วปีปีปีสามห้าจากปีสามห้าก็เขาก็ไปเชียงใหม่ท้ำตาลอาตมา ก, ก็ไปที่หลังเขาไปพอไปเข้าห้องเขามาฐานเก็บอารมณ์โอ้มันมันมันขยาดที่ตรงที่ น้องพักหลอดมาแล้วนะขยานพอไปเดินโอ้ยมันง่วงอีกแล้วโอ้ยเอ๊นะเนาะอยู่หนองพักหลอดนี่มันยังคนเห็นเยอะเออเนี่ยไม่มีใครเห็นในห้องอะนอนก็ได้ในวันนี้ <c oughs> นอนเอ็นหลังไหแกมาทําไมว ะ, ะลุกเดินวงกลมนอนแมนก็ไม่หลับแล้คือความความระแวงมันมีอยู่นอนก็ไม่หลับแล้วมันระแวง กลจะนอนยาวทำอยู่สิบห้าวันเข้ามาก่อนมาจัดงานที่แพร่ที่ประชาก่อนพรตรมาก็ะตามาก็จะคุณทีหลังมาเนี่ยอยู่สิบห้าวันเราทุ่มเททาเนี่ยพอมันตั้งช่วยอาจารย์ตาต่อเดียวเฮเราไม่ต้องกำหนดมันก็รู้ตัวเนาะรู้ตัวพอเลิก ก็ไม่บอกกับใครนะไม่บอกใครจนะ ไ, ร <c oughs> ไปเดินจงกรมเลิกพอเลิกช่วยงานไปเดินจงกรมเป็นอย่างเงี้ยสี่วันเห็นไหมไปทําอยู่ที่ชัยภูมิก็เป็นอยู่สามครั้งหนึ่งเดือนเนี้ยนี่อยู่สิบห้าวันเป็นหลังจากจบที่แพรเราไปเรายองอีกเดือนหนึ่งก็เป็นอีกสองครั้ง พอพอออกจากเชียงใหม่อตมาตมาเริ่มเข้าใจและอ๋อความม่วงความเบื่อความขี้เกียจมันเป็นโครให้เราเราจะได้ต่อสู้ดูซิว่าเมื่อมีความเบื่อความม่วงแล้วเรามีความสามารถที่จะอยู่กับเขาได้ไหมอตมาตมาเริ่มเข้าใจแล้วพอเข้าใจทําไงรู้ไหมนอนดึกนอนห้าทุ่มยังไงตีสามก็ตีละฆัง เอาละง่วงก็ง่วงมดูซิจะอยู่ได้ไหมลองกันมันก็พอเข้าใจว่าเป็นครูเข้าใจว่าเป็นครูสอนเราเราก็เต็มที่นะไม่กลัวแล้วมันก็ได้ผลนะโยมอาตมาเก็บตัวแต่ละครัง้งละครั้งมันได้มีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะ ไปวัดสนามในสี่สิบห้าวันนี่จนลงพ่อทองบอกโอ้โหมหาสุรินมาอยู่นี่ไม่เคยนอนเลยท่านจะรู้ได้ไงอาตมาตื่นเวลาไหนนอนออกปฏิบัติเลยถึงสามทุ่ยิ่งจะจำวัดก็เปิดไฟห้องแป๊บเดียวตอนที่ไปส่งน้มเสร็จแล้วก็เสร็จตัวเสร็จแล้วก็ดับไฟจำวัดเลยมางทีห้าทุ่มมันตื่นแล้ะตื่นก็ออกไปเลยเตยยง ไม่ง่วงเราโห่ง่วงใจจะขาดแล้วสิง่วงง่วงเบื่อเบื่บใจจะขาดแต่มันก็สู้สู้สูส้อดทนอดทนอดทนแต่มันคุ้มอ่ะอดทนแล้วคุ้มอ่ะมันน่าทํามันอย่างเงี้ยอดทนแล้วมันคุ้มอ่ะอ่ะแต่มา ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าไอ้ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รักการปฏิบัติแล้วก็ทํามาเรื่อยๆอย่างที่ธรรมมาบอกก็จะเดินไปบินน้ําบาตรแล้วก็พยายามก็หนดรู้่แต่เราก็ยังโลภยังโกรธอยู่อย่างนั้นน่ะเราจะเอาไงอะแล้วพอมาทําเข้มๆแล้วมันทําให้เราเปลี่ยนไปอะ่ะเราจะไม่ให้ทำเหยาะแย่อีกเหรอ เอาไห่นะวันนี้พูดแล้วแม่ขำ ม, มาเครียดหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ม่องค์นี้พูดเครียดจังเลยเมื่อคืนนะพูดแล้วแม่มันขำนะ <c oughs> นะเนี่ยอาตมาที่วัดจึงจัดไปเลยว่าทุกเดือนนี่ก็มีพระโทมาทุกเดือนเลย ข้อที่หนึ่งออกภาษาแล้วมีสามสิบสองข้อที่สองมีสามสิบสองข้อที่สามมีสี่ข้อที่สี่มีสี่ข้อนี้จะมีสักลูกเปล่ามั้วนะโอ้ยบางลูกอะดีไหมดีไมมไหมสายหัวเงี้ยไม่ได้นะ <c oughs> ดีแต่สายหัวใช่ไหม <c oughs> แต่อาตมาคิดอย่างนี้โยมเมื่อก่อนเราทำเนี่ยมีโยม ร้อยสองร้อยแต่ไม่มีใครรู้สักคนเลยแต่เดี๋ยวนี้แม้จะมีห้ารูปสิบรูปแต่ยังมีผู้ย้อนกลับมาแล้วมาปฏิบัติอาตมาถือว่าคุ้มไหแม้จะมีมาลูปเดียวแต่ตั้งใจปฏิบัติอาตมาก็คุ้มเนี่ยมีพระใหม่อยู่รูปนะั่นแหะใครจะมาโบสถอาตมาต้องอยู่วัดสิบห้าวันว่าขานนันนาตัวหนึแล้ว ต้องบวชหนึ่งเดือนตามกันหนึ่งเดือนไม่บวชไดใ้ใครห้ามมีโทรศัพท์ห้ามห้ามญาติมาเยี่ยมห้ามเพื่อนมาเยี่ยมต้องปฏิบัติอย่างเดียวไม่โลใครไม่อยากมาบวชก็แต่ที่อื่นนะคนใกล้วัดไม่บวชหรอกมาหาครับธมาบอกทําได้ไหมทําได้ก็บบวชนะ ทำได้เคยบวชทาให้ได้ก็แล้วแต่บววันไหนก็แล้วแต่แต่ต้องทำตามเงื่อนไขถ้าบวชที่นี่แต่คนที่อื่นมาบวชนี่ก็มาจากลบบุรีหนองมนั้นญะาติมาเยอะแม่ก็มาหาก่อนจะลูกชายมาบวชไม่กลัวหรอือไม่รู้ขา่าว เจ้าวาพระพมมั้งเหรอรู้ไ <c oughs> ต่อยากเอามาบวชนะรู้เสไม่รู้ได้ไงเนาะโยมเวลาข้านิ ม, มนต์ญาติเสียทางน้องมนต์นิ ม, มนต์ปเทศเนี่ยโอ้โหขอไปนินทานี้เนี่ยเขาคุยกันหน้าดูเลยโอ้ยพระเทศเจอตามาก็อ่ะโยมพระเทศโยมคุยเนี่ยไดตามาจะเทศยังไงครั้งหนึ่งมีโดนสองรอบ คุยอีกเนี่ยโยมรู้ไหมเนี่ยมันไม่มีมารยาททางสังคมเลยนะเนี่ยเนาะคุยกันพาเทสแต่คุยกันไม่มีมารยาทเลยเดี๋ยวนี้เงียบนาะอาตมา ก, กล้าว่าไม่เป็นไรเกียรติอาตมามว่าเพาอ่ออาตมาไม่ได้บินธนบาต ท, ที่นี่อาตมาบอกงั้นเดีย๋ยวอาตมาก็กลับมา แต่ว่าโยมที่วัาตมาเขาไม่ใช่ตมาอบรมนะแต่เขาไม่มีเขาพื้นฐานเขาดีไม่มีเพระพระเทพเขาเงียบถ้า ป, ปัจจุบันถ้ามีใครคุยขึ้นมาสักคนเนะี่ยถ้าถ้ายังไม่หยุดอาตมาก็นิ่งเลยหยุดเมื่อก่อนจะมาในี่ที่อเมริกานีมโนประเทศให้พี่บ้ากำนันเพรืราชการฟังพอเขาคุยกับอาต ม, มาก็ ก็โยมยังไม่พร้อมจะฟังเนาะไปครั้งแรกก็โหคุยกันอัตมาก็ได้อุปกรณ์ในการพูดนะเนี่ยเป็นหัวนหน้าเขามันต้องนำทุกอย่างอย่างนี้นำไม่ได้เข้าที่ประชุมยังคุยกันเป็นแบบอย่างไม่ได้เลยตอนมานิมนต์อัตมาถามมาฟังได้ไหมละ่ะถ้าฟังได้ก็ไปพูดให้ฟังได้นะตัตมาก็ ลูกศิษย์เพิ่มผมแดนนะ่ะพูดมาค่ะโอ้โหคนเหมือนกันโอเคพูดอะไรก็พูดตรงน่ะพูดอ้อมเขาไม่เคยเป็นนะมีอะไรก็ตรงตรงเนี่ยเหมือนพูดอย่างเนี้ว่ากันตรงตรงไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องยกแม่น้ําทั้งห้าไม่ให้คิดเนาะเอาง่ายๆอาไรอย่างเนี้ยไม่รู้เมื่อคืนนี้ท่น เจ้าคนท่านยกมาเยอะแล้วหลายไม่ใ <Let> ช่ไ <aroma> ม <invoke> ่น <ım eni> ้ำ <gamma> ต <enders> ั้งห้ามันหลายสิบสายแล้วเกินน่ะหลายสิบสายแล้วเกินเลยสายนี้ขึ้นสายนี้ลงสายนั่นขึ้นสายนี้ลงโยมจําได้กี่สายอ่ะจำไม่ได้เนี่ยอาตมาอ่านลงพ่เทียนจําข้อเดียวความรู้สึกตัว ท่านั้นเนี่ยออื่นไม่สนใจเอาแค่นี้เดินจงกรมอยู่นึกในใจอยู่เรื่องเดียวความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงๆตลอดมาเนี่ยทำเรื่องเดียวจริงๆนึกถึงอยู่เรื่องเดียวอะไรมนจะเกิดขึ้นอาการอะไรก็ช่างมันก็เป็นทางผ่านเป็นทางผ่านจะปีติปีเตอรอะไรเกิดขึ้นกับช่างมัน แต่นี่มันมีพื้นฐานปริญัติใช่ไหมปีติอย่างอะไรฌานสี่ผสมฌานทุติยานฌานติีฌานจตุฌานฌานที่หนึ่งก็มีวิโตกวิจานปีติสุกเอกตาวิโตกวิจานนั้นมันเยอะโอ้โหปฏิบัติไปใหม่โอ้ยน่ะมันดีอันนี้มันดีมันอยากจะขึ้นธรรมานี้ลงธรรมานั้นน่ะวิตกวิญาณมันเยอะพอเข้าฌานที่สองมันก็เบาลงแต่ยังมีพอฌานที่สามนั้นมันเงียบมัน เนี่ยชั้นที่สามที่ว่าเป็นเนี่ยชั้นที่สามนะยังไม่ถึงชนนะั้นสี่นะนะเราไปอ่านมาสี่ประษาสูตรด้วยชั้ชนที่สามใช่ไหมพระเรีเจ้าสังเสริญใช่ไหมพระเรีเจ้าทรงสังเสริญแล้วแค่ชั้นที่สามนั่นแหละเนพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจ ลองดูสิวันนี้15บห้าสบสี่ไมว่าที่ยี่สิบเลืออีกเวลาเท่านี้ลองดูสิลองตั้งกติกากับตัวเองใหม่สิฉันจะตั้งใจจะไม่หันหน้าไปคุยกับใครทำได้ไหมเราจะทำทุกขณะทุกเอียบทไม่ว่าจะอยู่ในไหนจะไปอาบน้ำแปรงฟันถอกสบู่ทำอะไรก็แล้วแต่ ทำได้แล้วก็ได้แล้แสดงว่าถ้าทําได้แสดงว่าเราเชื่อนะพูดแล้วเชื่อนําไปปฏิบัติได้มันสําคัญตรงนี้เรื่ออื่นนะแต่มาไม่ได้ได้ความสัมพันแล้วเองอื่นหมายถึงว่าเราจะทําอะไรแต่ว่าให้ความสาคัญตรงเนี้เราต้องทําตรงนี้ให้ได้ มีโอกาสแล้วแต่ไม่ได้อาตมาเคยไปวัดสนามนายแล้วโหเห็นอะไรนะเขาจะตอนเช้ากี่โมงประมาณสองหรสามโมงเขาีะระังมาปฏิบัติสิบโมงครึ่งหยุดไปเตรียมตัวทานอาหารบ่ายโมงทีะระฆังมาปฏิบัติบ่ายสามโมงเลิกกวาดลานวัด พ่อทองในมวอาตมาพูดคนเราส่วนมากจะคิดอย่างนี้นะปฏิบัติพอพอตัวเองไม่ไม่อดทนปฏิบัติพอเราทำพอเป็นนิสัยปัจจัยไว้เดี๋ยวชาติหน้ามันก็ส่งผลไปเองอาตมาเราเจอหมอแล้วเออหมอนี่เ็เก่งนะยาดีด้วยรักษาหายเราก็ป่วยอยู่นเนี่ย เออไปไปสิไปรักษาสิไปฟังแล้วหมอฉันยังไม่รักษารอชาติหน้าจะยังไงรักษาเออรอทาไมเนี่ยรอทาไมอะ่ะเจอหมอทำไมไม่รักษา ห, หายอะ่ะโยมถ้าเรามีความคิดอย่างเนี้ยปฏิบัติพอเป็นนิสัยปัจใจไปชาติหน้าปฏิบัติพอเป็นนิสัยพอไปชาติหน้ามันก็คิดอย่างนี้ไงนะ เหมือนพู้เจ้าแสดงไว้ในที่ปฏิบัตนะว่าเช้านักสายนักมักอ้างว่าเย็นนักร้อนนักมักอ้างว่าใช่ไหมมันอ้างไปเรื่อยคนหาก็อ้างอ้างเรื่อยแต่คนที่เอาจริงเนี่ยหลวงพ่อเทียนยพูดไงคนจริงรู้ของจริงใช่ไหมแล้วเราเป็นคนจริงหรือเปล่าถามตัวเองสิ จริงรู้ของกริงอยลืมนะหลวงพ่อเทียนเนี่ยเดินจงกรมตากแดดตลอดสามเดือนนะตอนออกไปที่ได้เข้าถึงธรรมเนี่ยเดินจงกรมตากแดดสามเดือนนะ่ะที่สาเหตุที่เดินเพราะมีเพื่อนมาคุยอยู่เรื่อยก็เลยไม่เจอหาทางออกไงไปเดินจงกรมกลางแดดเพื่อนมาคุย ม, มันร้อนก็ต้องไปใช่ไหมจนกระทั่งเพื่อนหนีกลับ ท่านก็เดินตรงกลางแดดตลอดมาเลยถ้าฟังประวัติเป็นอย่างนั้นไม่รู้จะยังไงเนาะอาตมาก็ที่จัดเข้มๆรู้สึกมันเล้ผลนะแต่อาจจะไม่ไม่เห็นปัจจุบันทั้งหมดท้งคนไหนไม่อยู่กอาตมาสิบวันเลยเห็นแล้วยิ่งกลับไปวัดยิ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงมากเลยแต่ถ้ามาแล้วยังไม่รู้นี่กลับไปก็จะรู้ว่าโอ้ตัวเองสอบไป เกรรมาตตะมาเนี่ยเคยมาจำมันฑาสองแลหมดแล้วท่านไก่เขาชวนมาอยู่ไปวาดเขาจัดเดือนครั้งแรกเขาบอกไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะแต่พอลับไปวาดไปไงไอจีวอนตะบงที่เก็บไว้เป็นโต๊ะภาพอย่างดีขับไปแล้วเอาออกมาแจกเขาหมดเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มาปฏิบัติไปอยู่ว่าก็เดินจงกรมเรื่อย ในวัดนั้นก็มีลูกเดียวที่น้องนั้นก็ไม่ได้ทํำมาแล้วเพราะก็ไม่ใช่วัดปฏิบัตินะเนี่ยจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเขาช่วนมาอยู่ไปรู้ให้กันวเวล า, า, าก็ทํามันก็ทํำจริงๆทำจริง ๆ, งๆนะไม่ได้ทำํำเล่นของนี้ของดีมันเล่นไม่ได้ เเอาตรงเนี้สร้างบา ร, รมีทางอื่นเมื่อก่อนเนี่ยขอโทษอาจารย์ระเบียบก็ติดสร้างบา ร, รมีก็อชอบไปสร้างพระใหญ่ๆจะได้มีบา ร, รมีสร้างอุตจ้าออกมาเคยไปสร้างแบบบารมีแบบนั้นไหมล่ะมีสักองค์ไหมเคยสร้างบสสร้างวิหารไหมล่ะไม่มีสักอย่าง ไม่ต้องการบา ร, รมีต้องการพ้นทุกข์เรื่องบา ร, รมีมันเรื่องของโลกประธรรมจไปไหน่ะเนี่ยเรื่องของความพ้นทุกข์ มีเนี่ยหลวงพ่อเทียนสดสรสำเร็จสตรสเร็จทาเรื่องเดียวมันสำเร็จไม่ใช่ทำเรื่องเดีย ว, น, ยวนั่งยกมืออย่างเดียวก็อะไรก็ไปเอาเลยไม่ใช่กันนะทำความรู้สึกตัวเรื่องนี้เป็นหลัก จะหยิบจะจับอะไรพยายามฝึกให้มันเป็นนิสัยปัจจัยล้วพยายามหาโอกาสหาอะไรตัวเองปฏิบัติทำให้เยอะทำให้มากไม่งั้นมันก็สงสัยถามอยู่นั่นแหละเมกืก่อนธารมาก็ถามนะเจอโยมบิณุคก็ถาม <laughs> เออนะ มันยังไม่พออน้นทวานห้ามก็ลังเลสงสัยอยู่กันเนี่ยนะมันเป็นปกติธรรมดาถึงจะฟังนั่งเทศน์ไฟังสัก1ิบวันสิบคืนก็ไม่หายสงสัยแล้วถ้ายังทำไม่ถึงไม่ได้ความสงสัยไม่หมดไปมือมีมีโยมอะไรที่มาสร้างสำนักให้โยมพิคุณโทรมาถาม ฉันเป็นนักปฏิบัติธรรมาจำได้เด๋ยวพี่คุณนะหายสงสัยได้ยังอะ่ะเอาคุณเป็นใครเป็นแม่ครัวแม่ครัวทำไมมาถามอย่างเงี้ยหายสงสัยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเนี่ยหายสงสัยยังอะ่ะเออขอไปปลายคนลงทุนเลยกนผมด้วยต้องเอาอย่ามัวห่วงเรื่องอื่น อาตมาเคยเจอโยมอยู่วัดป่าสุโกโตบอกตอนอายุสิบสี่เนี่ยโอ้ยแม่บังคับให้แต่งงานจะฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายเตรียมเชือกเตรียมอะไรเดยจะให้แต่งงานฆ่าตัวตายจะบวชชีพอบวชีมามาอยู่วัดป่าสุโกโตพอมาเข้ามาที่สุพรรณอาตมาเจอจะคุณแ้ามาเที่ยวพันนอด ว่าไงต้องรีบกลับห่วงลงคัวที่วัดป่าสุขโตเน่ยแล้วก็อาตมาถามไปไงแล้วปฏิบัติมันเป็นยังยั้งเลยแล้วยังห่วงห่วงไม่คห่วงลงคัวอีกเหรอกลับทำไมไม่หาโอกาสโอ้มันไม่ว่างเลยเห็นไหมมาติดลงคัวแล้วมันไม่นึกถึงวันที่แม่ไม่ให้บวชชีคิดจะฆ่าตัวตายขนาดเอาชีวเป็นเดิมพันไม่นึกถึงกลับมานึกถึงห่วงใครในเองเหรอลั เขาพยักหนะ้าคิดได้หรือกลับไปถึงวัดเลยไม่ก็ไม่รู้เนะคิดได้พยักหนะ้าแต่ว่าแม่บอกให้นึกถึงวันที่เราคิดจะฆ่าตัวตายนะแค่จะบวชชียังเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยอะ่ะแล้วนี่ยังมาห่วงแค่นี้อีกเหรอ นายองไม่ไม่เข้าใจเป็นยังไงนะโยมเนี่ยมาอยู่ปฏิวัติธรรมาผมบวชมาเนี่ยบวชอยู่ที่พิจิตเนี่ยเจ้าวาดก็โอ้โหให้ช่วยทํางานทานั้งก็บอกขอปฏิบัติบ้างวันพระทักวันก็ดีพอถึงวันพะระแรกก็ตกลงมาให้พอถึงวันพระก็ดึงไปทํางานอีกอันนี้มาอยู่ปฏิวัติธรรมาอาตมาก็ถามมาเราบวชมาเนี่ยเพื่อเจ้าวาดรูปนั้นหรือราบวชมาตามมุตเจ้า ตพระเจ้าอ้าเมื่อตามพระเจ้าถ้าเป็นเจ้าวัดแล้วไม่ส่งเสริมแล้วอย่างเงี้ยแล้วเะรยังมัวโง่อยู่ก็ท่านทําไมอ่ะรู้เนี่ยพระธรรมาพูดอย่างเงี้ยไม่กลับวัดเลยปฏิบัติอยู่ก็ะธรมาตลอดเลยเตืนอนจงกรมตลอดแเราบวชมาเพื่ออย่างนี้แล้วถ้า เราขออย่างนี้ยังไม่ให้จะแล้วยังจะกลับอีกเหรอใช่หมเออคิดี่ดีใช่ไหมอ่ะถ้าใครจะไม่กลับสำนักอยู่นี้หมดก็เดี๋ยวให้กระสินเลี้ยงอยู่นี่เนะี <c oughs> ่ยเออมีโอกาสมีเวลาโยม เขาก็ไม่ได้ให้เป็นเจ้าวาดสักน้อยเนี่ยโยมดูสิเจ้าวาดพระนอนยังท่านยังฉลาดทิ้งปล่อยให้เขาทางานให้ง่วนเต็มวัดไปหมดนะท่านนอกน้องๆไไปอยู่หรือแต่กระบอกแล้วจะปฏิบัติทํำให้ดูนะใช่ไหมไปอินเดียก็ไปเคยไปจำบันสายเดียเลย่อน่ะพระเน้นที่ว่าเป็นรอยยังไม่เห็นท่านห่วงเลย วางมากไว้ทำมาแครชอบทำนี่นะเอาแบบนไปกัไปก็ปต้องพยายามเอากายตัวเองเนี่ยนะถึงจะออกไม่ได้แต่ว่าในชีวิตเนี่ยเราเน้นเด้นเน้นเด้ นะอาตมาก็เน้นตัวเองช่วงนั้นที่บอกเรียนมจอด้วยอดีตเจ้าวาดป่วยเป็นมะเร็งด้วยเราเหมือนเป็นพระเทละในวัดเราจะทิ้งไงใช่ไหมมาไม่ได้แต่ก็บอกตัวเองทุกวันถ้าแกรอรูปแบบใ น, นชาตินี้แกไม่มีทางชาตินี้แกไม่มีทางมีพระบางโลกท่านก็พูดโอ้โหผมศรัทธาอาจารย์จังเลยเห็นอาจารย์เดินคือเราระวังตัวตลอดน่ะ พยายามเจริญสติตลอดนะ่ะมันก็เหมือนกับคนเดินสํารวมอนะ่ะมันยังไม่เป็นอนะ่ะขี่จักรยานไม่เป็นมันต้องระวังใช่ไหมขืนไม่ระวังนะหัวทิ่มคอหักตายใช่ไหมเนี่ยเหมือนกันเลยเนะี่ะพาท่านทั้งสังเกตท่านทั้งบอกว่าเออเดี๋ยวนี้อาจารย์เป็นธรรมชาติไปเหมือนเก่าเนาะเนี่ยเขารู้เลยเห็นเราเป็นธรรมชาติแล้วบอกเออใช่คนขี่จักรยานไม่เป็นมันเป็นธรรมชาติไป่ได ขี่เปเรื่องเป็นธรรมชาติได้ไมันปล่อย ม, อมือยังได้ไหมออนั่งสบายมันเหมือนไม่ได้เก่งอะไรเห็นไหมเนี่ยแล้วคําว่ามักมีองค์แปดมาชิมาสายกลางก็นี่เนี่ยบางคนฉันเดินสายกลางต้องเดินสายกลางมันไม่ใช่พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นกลางต่างหากเร่าเราขี่จักรยานเนี่ยให้เป็นมันจะได้เป็นกลางใช่ไหมการที่มันทรงตัวเพราะความเป็นกลางมันเกิดขึ้น ไม่ใช่แล้วเอาวิธีการเป็นกลางมาเจริญแต่ทำให้ถึงความเป็นกลางจิตเราไม่ไปฝักฝ่ายฝ่ายไหนแล้วทั้งฝ่ายที่คิดว่าดีฝ่ายที่คิดว่าชั่วอพยากตะเมื่อกี้ทําวัดสมบรแปลไหม เอายากาตาจะไปไว้เฉยๆก็ได้ใช่ไหมแล้วจิตไปกลางอะอารมณ์ต่างๆไม่มาทำให้จิตนั้นต้องปฏิบัติจนถึงความเป็นกลางมันจึงจะเป็นสัมมาทิิสัมมาสังกปะสัมมาทิิสัมมากรมมันตาสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธิเลยนะ สมาธิชอบสมาธิไม่ชอบมีไหมมีไหมอ่ะอยังไงสมาธิไม่ชอบอมันเป็นยังไงนึงสมาธิไม่ชอบร้องมฮะเป็นไหนทำเป็นไหนฮคือปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอยู่ไม่เป็นไปได้ไงล่ะ เป็นไงสมิชาสมาธิะเออใช่นั่นแหละพวกนี้เข้าชาญอย่างเดียวบรรุธรรมไม่ได้เข้าใจพเขาเขาไม่มีทางออกอะนะเขาไม่มีทางออกเขาคิดว่านี่แหละของเขาแต่เขาหลุดพ้นไม่ได้ขออภัย อจตมาดูหนังเรื่องพระเจ้ามหาศัสดาโลกดีนะอรตมาา่าดีนะคนอื่นจะเห็นไงคือฤๅษีรรออตอนที่พระองค์ออกบวชแล้ว <c oughs> ไปอยู่กับอราราตตาบดะ ถ้าจบสมาบัติเจ็ดแล้วลาบดพระองค์ยังไม่พอใจก็ให้ไปหาอุทกลาบดอุทกลาบดนี่ในหนังเรื่องนี้บอกว่าถ้าจะเข้าไปคุยกันอย่างนี้ไม่ได้ต้องเข้าฌานแล้วไปคุยด้วยติสถศาก็เข้าฌานไปคุยด้วยพอเลี้ยนจบสมาบัติแปดแล้ว อ, อท่านจบแล้วแต่ว่ายังไม่ใช่เป้าหมายติสทศาก็ยังไม่ใช่เป้าหมาย พุะธุดาบทบอกไง บ, บอกเราก็รู้เหมือนกันนะว่ามีอมตะธรรมแต่เราไม่มีวิธีที่จะเข้าถึงอมตะธรรมงั้นก็ท่านไปก็ขอให้ท่านโชคดีก็แล้วกันแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปหาเจา้าลาทีต่างๆๆมีช่วงหนึ่งที่เขาพระ อ, องค์ไปทำสมาธิในน้ำ นานแค่ไหนไม่รู้แต่โพจากน้ำแล้วนวดกับผมยาวแค่นี้ก็ยังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ไหมเนี yeah. ่ย <Yeah. S 1> พอพระองค์บรรลุธรรม้วยสติมีสติเรจะพูดถึงสติเลยมีสติอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าตลอดกาล แล้วในหนังบอกว่าการบรรลุธรรมเนี่ยไม่ใช่การให้ไม่ใช่การรักษาไม่ใช่การให้ทานไม่ใช่การรักษาสินตรงพอมันโอ้เราล้างบาปได้แล้วโหมรวรู้จักบาปไหมรู้จักบาปไห ม, ร, ไหมรู้ไหม ในการลูกจากบาบยกมือยกมือไม่รู้จักเลยเหรอรู้จักบาบไหมอ่ะบาบเป็นไงบาบเป็นไงตัวยังไงตัวยไงบอกกันด้วยยกยกมือบาบเป็นไงฮะเยอะทุกอย่างแบบไหน่ะเออนี่สงสัยจะ ไม่คนธรรมดาเนี่ยปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนที่เป็นปุถุชนมันมีบาปอยู่ตลอดที่ไม่มีสติเบื่อเนี่ยดีไม่ดีเซ็งดีไม่ดีนี่แหละความขัดแยง้งยังมีในใจยังรักยังชอบยังชังยังบาปตรงนั้นละ ตอนพระองค์จะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเทวทัตตามตองล้างตอนฐานพระองค์เคยคิดเครียดแค็งชิงคังเทวทัตไหมแต่ทําไมพระองค์ว่าพระองค์ล้างบาปได้ละ่ะเขาล็กกันเพื่อจะแย่งเมืองแต่พระองค์ไม่เคยเห็นด้วยเลยเห็นเข้าวรัดเอาเปียบ ก, การทางสังคมเนี่ยพระองค์มไม่เคยเห็นด้วยเลยมีแต่เข้าไปช่วยเขาแล้วพระองค์ทํา ông, ทไมบอกพระองค์ล้างบาปได้ละ่ะ ใช่ไหมเพราะมันยังมีความขัดแย้งอยู่ในใจอยู่ๆมาชีวิตพระองค์ก็เบือเบ่อเบื่อๆอยู่แต่ในวังมือแล้วเกินอยากจะออกไปประพาสป่าบ้างก็เจ้าพระเจ้าสุโทธนะก็ห้ามโคจะเปเห็นคนแก่คนตายอยากจะให้เป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่ไม่อยากให้ออกบวชในหนังบอกวิ่งไปล้วไปยืนอยู่ เป็นสองคนจะาชายสออีกคนหนึ่งเป็นลักษณะเป็นน้ำอีกคนนั้นลักษณะเป็นไฟไฟคือความไม่พอใจมันเกิดขึ้นลักษณะเป็นน้ำคือมันปอบใจตัวเองเดีย๋ยวนั้นก็ทําได้ชัดเจนนะเห็นเป็นสองตอนนี้พอเจ้าชายสิเอยพระ เ, เจ้าสุสโรรณะอนุญาตให้ไปประพาสป่าได้ไปเจอเด็กคนหนึ่งที่ป่วยแล้วไม่มีเงินรักษาก็ ตายน้องชายก็ร้องหหมร้องไห้ก็พาไปบ้านโคนไม่มีจะกินก็ทุก์นะเรามีทุกอย่างก็ยังทุกเห็นเนี่ยพระองค์คิดนะเห็นนะน ก, นะนนะก็ยังทุกเลยแล้ พ, พระองคยไกระทบใจตรงไหนหรือเป่าวันหนึ่งไปก็ช น, นะประพาสไปไปเจอ นักบวชนั่งอยู่ลุค น, นึงใคร น, ะ, นนะ่ยชนะออนักบวชไปเจ้าค่ะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวควาถุงอาหารแห้งเออจะไปทาบุญหน่อยสวายหน่อยท่านเป็นใครเออจะเรียกอะไรก็เรียกนักบวชเรียกสมณะเรียกอะไรก็ได้เรียกพราหมณ์ก็ได้เออต้องการจะออกมาเราไม่รับ อ, อ้าว ถ้าไม่รับแล้วท่านจะกินยังไงอะ่ะขอเราก็เดี๋ยวไปขอชาบ้านก็แล้วถ้าชาวบ้านก็ไม่ให้ล่ะก็มีผลไม้ในป่าเยอะแยะถ้าผลไม้หมดล่ะก็มีใบไม้ในป่าไม่รับแล้วท่านอยู่ที่ไหนอ๋อ บนโลกใบนี้เป็นที่อยู่ของเราหมดเลยแล้วก็ออกจากนี้ท่านจะไปไหนไม่มีเป้าหมายเมื่อออกเดินมันไปทางไหนก็ไปทางนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อผูกมาต่อข้อเลยไม่จำกัดที่อยู่ไม่จำกัดอะไรสักอย่างเลยจ้าใจจิตปัสสะโออิสระเนาะเรานี่มีทุกอย่างจะออกมาแค่ประพาสป่ายัง ถูกกันถูกห้ามไม่มีอิสระเลยแต่โอ้โหนักบวชคนนี้กลับมีอิสระไม่มีข้อผูกมัดอะไรเลยเนี่ยแม้แต่จะสะสมกลัวจะอดก็ไม่เอาเลยจะเอาของมาทำมาถวายให้ก็ไม่เอาขอเขาไม่ให้ก็ไม่เดือดร้อนก็ดอกไม้ใบไม้ผลลไม้ในป่าว่าออ ก, กันไป เนี่ยจะใช้ประทับใจนะเห็นไหมเนี่ยนักบวชเห็นไหมใครไหนใครพกข้าวมาด้วยไม่ต้องเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปขอโยมิคุณก็ให้หมดใช่ไหมเ <c oughs> นี่ยเลี้ยองอย่างดีไหมไม่ต้องห่วงเลยเราสมณะอนะนักบวชเหมือนกันเรียกอะไรก็ได้ใช่ไหมภาษาสมมุติอ่ะ สมมุติภาษาเรียกไงก็ได้แฟนขออย่างไม่สามโทมเนละย่างน้อยกว่เมื่อคืนใช่ไหมเออเฮลโหลเนี่ย เอาอาตามาฝากไว้เรื่องเดียวไม่รู้ไม่อยากเอาอะไรเรื่องหลักเนาะเพราะว่าเมื่อคืนอย่างที่บอกจะคุณถามแล้วลองใครเล่าจำตะโกนละเรื่องได้ไหมเล้าอาตามาฟังหน่อยไม่ได้ปรเทศดีแต่จำไม่ได้ห <c oughs> ลวงพ่อเทศดีจังเลยวันเนี้ยจำไม่ได้วันเดี๋ยวนี้อาตามาก็เปลี่ยนใหม่ที่วัดนะ <c oughs> ใ่้สวดถวายพรบ้านแล้วให้ถวายท่านเลย <c oughs> แล้วก็โยมนั่งกำหนดสติพระฉันไปเทศนะฟังมาตั้งนานแล้วเทศดีดีแต่โยมก็ยังเหมือนเดิม <c oughs> ใช่ปะเทศดีจังเลยเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนจตและสติเนี่ยโยมนั่งพระนั่งฉันโยมนั่งเงียบโดยไม่คุยกันได้ถือว่า ใช่ได้แล้วใช่ไหมนั่งเงียบได้เนี่ยโอ้โหถือว่าใช่ได้แล้วอาตมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนั่งกำหนดไปกู้สึกตัวไปนี่แหละเป็นทางของชาวพุทธอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ให้ทานมารับศีลดอยากจะไปสวรรค์ แต่อาตามาอยากจะพูดหลายอย่างอย่างโ ย, ยมเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเอาไม่ส่วนมากไม่ค่อยมีใครพูดความจริงนะมีลูกชายอยากให้บวชอยากให้บวชจะเขาอยากหรือเปล่าก็ไม่รู้อยากให้บวชอย่างเดียวอาภัยนี่จริงๆการบวชเป็นเรื่องของคนอยากพ้นทุกนะเนี่ยเหมือนโยมมาปฏิบัติเนะี่ยเป็นเรื่องของคนอยากพ้นทุกนะนะั่นเ่ยจึงมาเนี่ยทำไมอยากพ้นทุกไม่คงไม่มานะต้องเป็นเรื่องอย่างนี้ บางทีเนี่ยโอ้โยมที่วัดตมาเมื่อก่อดีเจ้าวาดเนี่ยมีผ้าใหม่เยอะไปกรรมพ่อสมสจักแล้วโอ้ยผมไม่อยากได้ผ้าใหม่เยอะเลยเยอะแล้วมันทะเลาะกันทำมัดสดมนุก็ไม่อยากทำเรียนหนังสือไม่อยากเรียนแล้วต้องต้อนกันเรียนบางทีอยากให้โลกบวอาตอมาบอกอยาก่าต้องให้ตัวเขาอยาก ถามโยมให้ลูกบัวทําไมจะได้เกาะชายผ้าเหลืองลูกไปสวรรค์บ้างเหรออ๋อบวชแล้วได้ขึ้นสวรรค์เลยเหรอถามด้วเนี่ยฝวดมนต์ไหว้พระยังไม่ได้เลยยังขี้เกียจอยู่เลยยังนั่งคุยกันอย่างเดียวเลยใครว่าไม่ได้อยู่เลยแล้วตรงไหนไปสวรรค์นะอ่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีคนจังหวัดสิงห์อยู่คนหนึ่ง บอกเมื่อก่อนผมก็ไม่สนใจจะบวชละตอนนี้ไปฟังพ่อปวนันพูดเขาเลยบวชเดือนหนึ่งบวชวัวนประวัน<บ>พอมาถึงลูกเป็นไงลูกถ้าบวชแล้วไม่ปฏิบัติมันไม่ได้เลยแต่เขาไม่ได้นั่นเองบอกลูกลงไปถามเพื่อนดูที่บวชแล้วไม่ได้ไปฏิบัตินเป็นยังไงเนี่ยเขาก็ใจนะลูกก็ไปถามเออไม่ได้ไแล้วพอ ล, กกลูกว่าเพื่อนตอบแล้วไม่ได้ไ เออลูกไปห่มนุ่งขาวอ้อมขาวไปอยู่วัดประมาณเจ็ดวันไปเข้าก็รมฐานแล้วให้มาอยู่วัดที่กตา ม, มาบวชกาตา ม, มาหนึ่งเดือนละหมากรปฏิบัติทั้งวันยังอื่นไม่ต้องอยุ่งก็บอกเนี่ยเขาจะทําได้ไม่ไดไ้รู้แต่ตาหมาบอกเนี่ยนี่คือวิถีของนักบวชนะบวชแล้วต้องทําอย่างนี้เป้าหมายคืออย่างนี้ไม่ใช่แค่ได้บวช แล้วประพฤติไม่ถูกใจโยมโอ้ดูสิหน่อยัยงงนดูอย่างงี้โยมลองมาอยู่วัดดูบ้างไาว้ละเอาลองอยู่นา น, น, านเนี่ยคนมีกิเลสอะฮ้เอาอย่างเงี้ยมาอยู่ถึงอยู่ไม่นานเนี่ยมาอยู่สักก้าวันส0บวันอาลองอยู่เนี่ยลองอยู่ต่อไหม ให้ท่านก็สินจัดต่อไปอีกสักเดือนหนึ่งยังไม่ต้องกลับอะอยู่ได้ไหม <c oughs> โ, ยโยมนี่แหละพอคนบวชมาแล้วเนี่ยทําไปในทําอย่างเนี้มันก็ไม่มีสาเหตุที่จะทํำให้เขาเห็นไหมทำบบวดอย่างนี้เอออยากจะไปปฏิบัติแล้วไปบวชเนี่ยแต่ความบัคคุณมันก็ดีขึ้นะ <c oughs> นะขนาดคิดอย่างนี้แล้วมันยังอยู่ยากเลยก็คน ม, มีกิเลสอะ ไม้อยู่ง่ายๆ่หลายสาเหตุที่ทำให้ตมามาปฏิบัติหนึ่งเราอยากอยู่เป็นพระแต่ว่าจิตเรายังเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวศึกเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวศึกทำยังไงเราจะไม่ให้มันเกิดอย่างนั้นก็พยายามขนขวายเรื่องนี้นะขนขวายเรื่องนี้ แต่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะทำมาถึงไอ้คำว่ า, าตัวเป็นอะไรไม่ได้นึกถึงอะไรหรอกแต่พอทำแล้วมันโอ้พอมาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหเนอะแค่ถึงตัวเป็นเท่านั้นก็ยังโอ้โห ฮ, ฮดีใจแล้วล็อกขี่จักรยานเป็นใช่ไหม อขี่จักยานเป็นใหม่มันดีใจใช่ไหมมันแล้วเกินเราขี่อยากขยันขี่ทุกวันเลยใช่ไหมนี่แหละแค่นั้นยังโอ้โหเราขี่เป็นแล้วอาตมาสื่อสารตรงๆเพราะอยากโอ้โหอยากลูกชายมาั้วยังอยา ให้คุยให้เขาฟังทำอย่างนี้รับได้ไหมอย่าไปอยากแทนเขาทำอย่างเนี้ทำได้ไหมนี่มันเป็นวิถีของนักบวชไม่ใช่บวชตามประเพณีแบบนั้นเราบวชแล้วแทนคุณพ่อแม่เอามาจากตรงไหนอะอราจมาเรียนมาตั้งนานไม่เคยเจอพรอเจ้าบวชแล้วยังแทนไม่ได้เลย ต้องไปแสดงทำโปรดมันดาบีดาจนได้เป็นพระอริยบุคคลนะมันเป็นวิถีของผู้อยากออกจากทุกข์เน <Yeah. S 2> ี่ยอาตมาอยากให ข้อคิดตรงนี้จะได้ต่อหลังเออจะได้หาวิธีพูดให้ลูกรู้ให้ลูกเข้าใจเออเนี้ยเนี่ยวิธีของชาวพุทธจริงๆนะมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่พุดตามสมมุนโลกโอ้โหคนไทยนี่เป็นชาวพุทธเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ไหนชาวพุทธยังไม่รู้เลยว่าจะต้องทำยังไงชวนมาวัดมาปฏิบัติมาไม่ไม่มาหรอก อย่างนั้นเป็นแค่สมโนครัวเกิดมามีสูตธิบายก็อะไรล่ะฮะถ้าสื่อศาสน า, า, าแล้วใช่ไหมเด็กรู้เรื่องยังไะยังไม่รู้เรื่องเลยใช่เป็นไม่ได้ใช่ไหมนั่นเป็นแค่สมโนครัวแล้วก็มาแย่งกันนะอาตมาเรียนมาจะรอมีพระก็ชวนอาตมาไปเดินขบวนนะเพื่อจะเอาศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ อาตมาบอกอินทมันตัวหนังสืออาตมาเห็นว่าศาสนาไหนก็เท่ากันหมดเพราะทุกคนก็มีกิเลสเหมือนกันหมดใช่ไหมมีต่างกันตรงไหนอะ่ะถ้าไม่มาทำตรงนี้ต่างตรงไหนอ่ะเท่ากันหมดยังโลภยังโกรธยังแข่งดีแข่งเด่นชิงดีชิงเด่นกันเหมือนกันหมดแตกต่างอยู่ที่ความเชื่อเท่านั้นเอง เชื่อนะแต่ยังไม่ใช่ความจริงนะเชื่ออย่างนั้นก็บอกนันก็เชื่อตามเขานะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เรามาหาความจริงกันเนี่ยเนี่ยมาหาความจริงค้นหาความจริงให้เจอตอนต้องมาเรียนวันความเชื่อแต่ความจริงต้องมาทำอย่างนี้ ให้มันปรากฏเกิดขึ้นกับเราก่อนมีความเชื่อมีแต่ความเชื่อเชื่อโอ้โหอยากได้นั่นอยากได้นี่บมันเพนั้นเป็นมันเป็นของคนที่จะอยู่ในโลกนี้หลวงพ่อเทียนบอกว่ายัางไงหลวงพ่อเทียนบอกว่า ของคนที่จะมันยังเป็นมันยังเป็นข้าวเปลือกยังไม่เป็น ข, ข้ขาวสุกข้าวเปลือกไหนที่บ้านใครกินข้าวเปลือกบ้างโดยไม่ต้องหุงกินไม่ได้ว่าเทียมบ่กกินไม่ได้แต่มันทําพันได้ใช่ไหมทําพันหมายถึงอะไรเกิดอีกตายอีกเกิดอีกเกิดไปอะไรก็นไม่รู้นะ จะเป็นข้าสุกนึกข้าสุกนึกใครเอาเข้าสุกก็เพาะบางบ้านใครเอาเข้าสุกหวา น, นทำข้าวกล้าบางข้าสุกนี้เพาะได้ไหมกินได้ไหมเนี่ยความหมายลงพ่อเถียนเนะี่ยข้าสุกงอกไม่ได้กินได้เนี่ยพอทำถึงทำแล้ว มันเริ่มสุกเริ่มกินได้แล้วมันถึงอ๋อมันดีอย่างนี้มันสบายอย่างนี้มันอย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมหลวงพ่อเทียนพูดไม่ธรรมดานะภาษาหลวงพ่อเทียนถ้าปฏิบัติบบไม่ได้ก็ตีความหมายไม่ได้ยิ่งคนเรียนมากๆยิ่งยากใหญ่เลยเพราะพูดไม่เหมือนหลวงพ่อเทียนเคยถูกต่อต้านใช่ไหมพูดไม่มีนะตาราหลวงพ่อเทียนว่าไง ไม่เขียนไว้ก็ไม่มีใช่ไหมอสอนผิดอาจจะผิดของท่านแต่มันถูกงผมนะท่านไม่ใช่ยวนแต่ท่านทำได้นะแต่คนที่เรียนมาอย่างเดียวทำไม่ได้ก็พูดอย่างนั้นนะไม่ใช่ธรรมาดานะ กำหนดรู้กำหนดรู้อะไรคนเรียนมาโอ้ต้องกำหนดรู้มันมันมันทุกอย่างไงมันเศร้าโศงไงต้องกำหนดรู้แต่พ่อเทียนบอกไม่ใช่ทุกต้องกำหนดรู้เห็นไหมให้กำหนดรู้ความรู้สึกตัวเนี่ยหพ่อเทียงเน้นเรื่องเดียวสมุทัยต้องละมันคิดอะไรก็ช่างมันมาอยู่เงี้ยกามาตัตรฐาเพราะว่ตัตรานพตัวเนมันอะไรอ่ะก็ความคิดตรง น, นั้นแหละใช่ไหมความคิดัรงนั้นแหละ อยากไม่อยากมีไม่มีความคิดทางนั้นแนี่นี่มนอยู่นี้คิดอะไรก็ช่างมันอยู่นี้คิดดีก็ชั่วกรเรืองมันอยู่นี้โอเคอะรเนี่ยนี่รดทำให้แจ้งให้เข้าใจเข้าใจเนี่ยต้องเรื่องนี้มันจึงจะพาเราไปได้ต้องเข้าใจว่าต้องเรื่องนี้นะต้องทำให้มันเห็นผลให้ได้มักโเทบก ทำให้มากเห็นไหมคนโอ๊ยต้องเอ่อมีชีไปปฏิบัติที่วัดมาอยู่สามเดือนเสร็จแล้วเขาไปพายสารไปพายสารไปคุ ย, คยพ้าฟังเนี่ยมีผ้าท่านสอนให้เจอเออมันก็ดีมันก็ไ ด, ด้สติแต่มันไม่ได้ปัญญานะรู้จักมักมีองแปดระชีบอกไม่รู้อไม่รู้คุยไม่รู้เรื่องเอ า, เอาตำลาไปท่องนะเห็นไหมอาลาไปท่อง จริงไม่เขาบอกไงนะพาเวตพันพุทธเจ้าบอกพาเวตพันุ์ควรภาวะธาตุภูธาตในความมีความเป็นนะีภาวะเวตพันุ์ทําให้มีขึ้นให้เกิดขึ้นตัางหากเหรอควรทําให้มีขึ้นเนี่ยให้มีขึ้นภาวิตังเราทําให้มีแล้ว เนี่ยภาษาบาลีมันเป็นภูธาในความมีในความเป็นไม่ใช่แปลเจริญทำให้มีเนี่ยเรากำลังจะทำสติเอมรีขึ้นเนี่ยพอมีสติแล้วเดี๋ยวสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมันจะเกิดขึ้นมันนี้มันชอบไปได้หรอก มีใครระ ล, ลึกชอบตลอดไม่เปล่าหรอฮะมันยากนี่แหละมันไม่ใช่ของเราทำเรื่องเดียวเนี่ยวันหนึ่งเราจะเข้าใจทุกอย่างเองส่วนมากเราจะชอบฟัง เนี่ยใกล้ๆวัาตมามีโอ๋ไม่ยุ่งเกี่ยวว่ใครอ่านบัไต่ปีดอกอยู่บนบ้านตลอดเลยพูดไรหน่อยก็อ้ามันเป็นอัตตาเป็นอนัตตาอะไรเขาก็ภาษาจํา ม, มาได้กับโพูดตมามบอกนี่การความเป็นอัตตาเรื่องนัตตาเนี่ยมันไม่ใช่การพูดเอามันเป็นสภาวะคนเราที่มีอุปทานเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีอัตตาอยู่วันอย่างค้าม ความหมายของพระเจ้าก็คือว่าคำว่านัตตาเนี่ยคือมันจะเป็นไปนอย่างนั้นเองเนี่ยเราห้ามเราไม่พัดได้ไหมมันพัดเองแต่พอเราไม่พัดเนี่ยเราบอกมันพัดได้ไหมไม่ได้มันจะพัดก็พัดเองจะหยุดก็หยุดเองใช่ไหมนี่คือความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างนี้ไม่มีใครบงังคับมันชามได้ <c oughs> มันเป็นไปอย่างนั้น ไม่ใช่เรามาพูดเอาเรื่ออะไรเอาแต่พอเรามีสติมากเขึ้นเนี่ยความเข้าไปยึดมั่นเนี่ยมันก็คายออกคายออกหลวงพ่อเทียนใช้คําอะไรรู้ไหมน็อตมันคายคายตัวออกไงไม่ขันเกลียวแน่นใช่ไหมเนื้อท่านใช้ภาษาแบบเป็นช่างอ่ะขันเกลียวก็ไม่แน่นเราไม่มาทาต้องรขันแน่นไอ้นั่นก็ะูุกไอ้นี่ก็มัดขันอยู่เรื่อยเลย ขันจนบางคขันไม่ไหวฆ่าตัวตายหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้เยอะแยะหมดไม่พอใจไปเที่ยวฆ่าคนอื่นตายมันขันแน่นกับไปขันแน่นกับมันมันไม่คลายอะหลวงพ่อเทียนบอกคลายใช้ภาษาชาวบ้านแต่ไม่ได้ไปใช้ภาษ า, า, าวิชาการภาษาวิชาการคลายอุปทานอุปทานมันเบาบางไปเบาบางไปมีคนก็าต้องนี่ หลวงกัตธมาว่าพระเทียนเนี่ยพูดไม่มีธรรมะเขาไปปฏิบัติธรรมที่พม่ามาเจ็ดเดือนออกมีแต่ท่านใช้ภาษาชาวบ้านไม่ได้ใช้ภาษาวิชาการท่านไปอยู่พม่ามาเจ็ดเดือนเนี่ยถ้าพระพม่าเขาไม่เทศลำดับยานสิบหกให้ท่านฟังอะท่านจะรู้ไหมท่านเออใช่ไม่รู้นี่มันเป็นภาษาชาวบ้านคลายเกีียวออกมาคลายเกีียวออกมา คลายความยึดมั่นถือมั่นคือมาทำสติแล้วมันจะคลายตัวออกคลายตัวออกมีสติมากเท่าไรมะคลายออกเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นมันก็ไม่อาจแน่นอาจแน่นเราอาจแน่นไปด้วยอุปทานยึดนั่นไม่ได้เลยท่านผู้ประสาชาวบ้านขุดบอ่อให้ถึงตาน้ำถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยถึงตาน้ำแล้วตักน้ำต้มน้ำเลนออกให้หมด จนกว่าน้ําจะใสอัตมาตเกิดทันเนี่ยเมื่อก่อนก็ใช้ไม้ทำล้อมล้อมล้อมล้อมน้ํา ม, มันขูดมันมีคิ้คนมันก็เหม็นกลิ่นโคนไว้ต้องลุออกลุออกน้ําไหลมาใสก็ยังตักใช้ได้ใช่ไหมเนี่ยโมเทียนทําไปแล้วก็ต้องตักออกเรื่อยจนกว่าน้ําจะใสเนี่ยน้ำน้ ำ, น, ำน้ำใสใไม่เบือ่อไม่เซ็งไม่ลาคาล่ะน้าเราใสไหม ให้มีสติเนี่ยใช้ภาษาชาวบ้านชาวบ้านมองเห็นเออเอาใส่แต่คนสมัยใหม่อาจจะไม่รู้เออไม่เคยขุดบอ่อใช่หไหมก็เจาะบ่อ บ, บอันไงยังต้องเป่าใส่ใช่อ่าน้ำจะมาใช่ใช่ไหมใช้เครื่องเป่าจม่าจะใส่พอบอ่ออยู่นานๆก็เป่าสักทีเนี่ย ภาษาชาวบ้านขันแตกขันหท้าธงปูนเงี้ยขันแตกมันก็ตักน้ําใช้ไปได้ใช้ไม่ได้ตักน้ำดื่มไม่ได้กินไม่ได้มันก็เลยก็หายน้ำอยู่งั้นเองขันมันแตกอุปทานมันมียึดมัน่นไหมหาความสุขไม่ได้ไหมเล่าของฉันนั่นเองของฉันจะหลับตาตายก็ยังของฉันอยู่เล ย, เลยใช่ไหมเล่าเนี่ยภาษาหลวงพ่อเทียนเป็นอย่างเงี้ย ไอคนฟังเออพูดไว้มีเนะยตำราเออไม่เขียนไว้ก็ไม่มี <laughs> สอนผิดอาจะผิดตรงทาง่านแต่มันถูกผมนะ <laughs> ไม่ได้ยยนนะแต่ว่ามันเรื่องจริงก็คนไม่ได้ปฏิบัติจะพูดก็รู้เรื่องได้ที่ไหนอะ่ะใช่ไหมติดแต่ตำราอยู่งั้นอ่ะใค่ไปเรียนใหม่ <laughs> มันไม่ใช่ตำราเนี่ยตำราที่แท้จริงมันอยู่ตรงนี้อยู่ที่ตัวเราเพราะนั้นมันมันลอกไปจากนี้เนี่ยที่ใสไปในตู้อะไรลอกจากนี้ไม่ใช่ของจริงของจริงที่เราเนี่ยเรากํลาลังศึกษากําลังอ่านอยู่นนเนี่ยศึกษาเรียนรู้อยู่ไปไงเวลานั่งเบื่อไปไงรู้ไหมรู้อะไรรู้เลยเนี่ยเวลาง่วงไปไงรู้ไหมรู้เลยไม่ต้องต้องมีใครบอกไหมเนี่ยไม่ต้อง เนไหมไม่ต้องเลยเนี่ยเนี่ยคือการศึกษาเพราะฉะนั้นพระเสขาพระยังต้องศึกษาพระอาเสขาพระเมพระอาเสขามีใครมีพระหลานพระอาเสขพระเสข า, ขาตั้งแต่ต่ำพระหานลงมาศึกษาไม่ใช่ไปนั่งเรียนท่องตำรา น, นั่งเรียนไม่ใช่นี่นะเนี่ยเรียนของจริงนี่เรากาลังเรียนของจริงอยู่เรียนรู้อยู่ ไป่รู้รู้รู้เปล่านี่ <c oughs> <c oughs> นะไม่ได้ยกอุปมาอะไรอฟังไม่มวนเท่าไหร่นะเอาเอาเรื่องนี้เรื่องเดียวโยมนะอาตมาคือมันก็ทําจากประสบการณ์นะโยมเนาะจากประสบการณ์เนี่ยพอเราปฏิบัติจริงจงัมันจึงเห็นผลนะมันจึงเห็นผลมันอาตมายังนึ ก, กว่าเหมือนอะไรอะ่ะ เขาอุปมาเขาไว้ว่าเหมือนช่างทองจะเอาสนิมทองออกจากทองเนี่ยก็ต้องทำไงต้องทาฟะให้มันร้อนใช่ไหมแล้วถ้าถ้าเกิ ด, ดว้าไฟที่มาหลนทองให้ร้อนเนี่ยถ้าเกิดมันร้อนไม่พอทองละลายไหมเมื่อทองมาละลายสนิมทองจะออกได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้ไอตามาก็เห็นเออมันจริงนะ จริงริงทองต้องละลายก่อนไอ้ไอ้ที่มันปนเปลื้อนอยู่ในทองเนี่ยมันจึงจะค่อยๆ อ, ออกไปไล่ต้มไเลได้สนิมทองออกไปเหล็กยังเผาไม่ถึงที่ไม่ร้อนถึงที่ตีลงไหมตีได้ไหมอ่าเห็นไหมเขาต้องเผาให้เป็นสีปูนแห้งอะไรเขานั่นนะสีแดง เรามาต่อยตีช่วยกันตีใหญ่ตีตีไล่สนิมนะเขาตีไล่สนิมยิ่งไล่สนิมมากยิ่งตีบ่อยเหล็กยิ่งดีใช่หมอันนี้นี่เรากําลังตีเหล็กเนี่ยต้องตีกําลังร้อนๆถึงไปร้อนเหล็กเย็นเคาะอยู่นั่นแหละพอเหล็กจะร้อนสักหน่อยค่ะหยุดอีกสูบๆไปว่าเหล็กจะร้อนหน่อยหยุดอีกแค่อาจารย์มหาทิเลคพูดบอกก็ตั้งหม้อข้าวพอจะเดือดสักหน่อยยกลงอีกแค พอจะเดือดยกลงอีกแล้วจะได้กินไม่ข้าวเนี่ยนี่นะลองนึกลองนึกดูนะเรากาลังหุงข้าวนั่นเนี่ยให้มันเดือดให้มันได้กินเก็บตัวแต่ละครั้งให้มันถึงข้าวเดือดใาไม่ได้กินแต่ละครั้งละครั้งไปไม่ใช่ข้าวดิบดิบสุกมึงทีไม่ดิบไม่สุกสุดท่ายเป็นกสาญอยู่เลยเลยพราะน้ำอุ่ น, นยกลงสุกแล้ว เนี่ยท่านก็นมาใหม่ๆแต่มาจำอาจารย์มหาทัมปูได้นะคำนี้คงข้าวสุกให้น้ำมันเดือดคักๆๆแล้วก่อนนะให้ข้าวสุกอ่าน้ำเดือดมันก็ต้องไฟถึงเงี้ย ไ, ไฟอ่อนจะได้ไหมนะไม่ได้ไฟต้องดียิ่งไฟแรงยิ่งหงได้ดีใช่ไหม ก็เปรียบเหมือนนี่เนี่ ย, เ, ยเวลาเราปฏิบัติโอ้มันเบื่อมันง่วงมันขี้เกียจยิ่งแรงมันยิ่งปฏิบัติได้ผลดีอารมมาสังเกตด้วยถ้าใครปฏิบัติถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวกิเลสมันถูกสมรอกกันนะในมหาสติปัฏฐานสุอาตาปีความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปเผากิเลสเห็นัหมเนี่ยแต่เราคอยจะถูกกิเลสเผานะ่ะเราไม่ได้เผากิเลสอ้ยไม่ไหวแล้วอะ โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้มันต้องอดทนนะท้อไม่ยมพูดอย่างเงี้ยแต่ตอนพูดอาจจะคือเขิมนะแต่พอตอมาหันหลังโอ้ยไม่เอาขอไม่เอาอย่างท่านแล้วปล่อยท่านไป อ, อ, องค์เดียว อ่งงานั้นจริงไม่ใช่อตาตมาอุเดียวลอกสามสักดาเราก็ได้เมื่อก่อนก็นมาโหะปะโหะปัมอยู่กัชาจา <c oughs> น่แหละนะมันต้องอดทนอตาตมาเนี่ยโหบอกเลยไม่มีวันไหนที่มาออกมาปฏิบัติแล้วไม่ต้องทนเลยมาอยู่ห้าวันก็ต้องทนเพราะอตาตมาเป็นอย่างเงี้ยฉันเสร็จปุ๊บลุกขึ้นเดินเลยส่งน้าเสร็จปุ๊บเดินเลยปฏิบัติเลย ไม่เคยลีลอเลยไม่เคยทำตลอดต้องอดทนนะมันไม่ใช่ว่าเราสนุกกับการทำหรอกอดทนเหมือนกันมันเป็นเหมือนกันหมดนะคนเรายังมีกิเลสเป็นเหมือนกันหมดต้องอดทนต้องสาภาวะที่มันเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดเมื่อก่อนเรียนเรียนบาลีเออแปลบาลีประโยคหกประโยคเจ็ดว่า วิเลวิลลาโคเสธโธทำมานางทําเป็นเครื่องสําลอกราคะไม่รู้มันสําลอกไงไม่รู้หรอกกระเรียนเป็นนกแก้วนกคุณทองนั่นเองพอมาปฏิบัติโอ้โหนี่นะโอ๊มันเบื่อก็ต้องอดทนนลยมันเหมือนเหมือนไฟหลนทองกําลังจะละลายนะเราก็ต้องอดทนอดทนจนกว่าทองมันจะละลายกว่าจะสนิมทองจะหลุดไปแล้วหลุดก็ยังไม่หมดเลยพอน้านก็ต้อง เริ่มม่อีกเอ้าอเหมือนมีดเขาจะตีมีดอพอไปเผาไฟร้อนทีเดียวไม่พอพอออกมา ต, ต, มามาออตีตีได้สนิมอ่อะไปเผาใหม่ก็พอล้อนได้ทีตีตีได้สนิมแกจึงจะเป็นเหล็กตีได้เหมือนกันเนี่ยปฏิบัติทําเหมือนกันเลยแต่ล ะ, ละข้งละข้างเคาะสนิมให้มันออกออกออกออกเ อ, อ, ก อ, อฉัน ปฏิบัติมานานเห็นก็ไปโน่นไปนี่กันได้โน้นได้นี่ฉันไม่เห็นได้สิก็ไฟก็ไม่ร้อนโอ้ไฟก็อ่อนหรืปรีหรือปลีอยู่างนนะั้นแล้วเมลัลสนิมมันจะออกต้องทําให้สนิมมันออกเสิให้ได้นะทาเรื่องเดียวเอาเรื่องเดียวอย่าไปห่วงเรื่องอื่นเอาเรื่องความรู้สึกตัวเนี่ยเรื่องเดียว เราสรุปอย่างจะดีเองไม่รู้รเชื่อธรรมาป้าไม่รู้นะแต่ว่าธรรมาเชื่อหลวงพ่เทียนนะ่ะอธรรมามาจากหลงบ่เทียนเนี่ยเดินอยู่กน็นึกเรื่องเดียวแต่ถามว่าไอความคิดความอะไรมันเกิดขึ้นไหมเห็นมันก็มันก็ธรรมชาติมันก็ต้องเห็นอยู่แล้วพอสติยังไม่พอพอถูกความคิดไปมึง่งเกิไปกับความคิดอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ธรตามาเดินแล้วโอ้โหเนี่ย ปีสามห้าจำได้เลยส่งน้ำเสร็จแล้วเตงโมมันขึ้นอยู่คิดถึงเรื่องแตงโมเรื่องเดียวรู้ไหมโอเนี่ยถดลดน้ำเอาไปปลูกนะมันงามออกลูกออกด อ, อกโ อ, อก้โหคิดเรื่องเดียวห้าสิบนาทีลองคิดดูดิจำได้พอพอนึก พ, <อ>พอสติมันกลับมานึกได้อา้าแกมาทำความรู้สึกตัวมันคิดอะไรเนี่ยโอ้ตอนนั้นแหละตัวเนื้อเบาสบาย เนี่ยตอนนั้นเป็นอยู่เจ็ดวันมันต้องทำาะจริงจะเอาจังอย่างนั้นไม่รู้จะแนะนำยังไงก็แนะนำได้อย่างนี้เนาะอาตมาเคยฟังเขาฝึกหน่วยลบพิเศษของทหารเนี่ยมีนทหารคนหนึ่งเขามาพูดบอกว่าฝึกเพื่อให้ข้ามลิมิตของความอดทน ถ้าเราทําเองมีลิมิตของความอดทนแค่นี้แต่เขาฝึกให้เรามากกว่านั้นอีกให้เลยไปอีกเนี่ยเหมือนขั้นเลยให้ข้ามลิมิตของความอดทนเพราะนั้นในการปฏิบัติบางทีเขาให้สมาทานกรรมาฐานจึงมีคําว่ายอมมอบกายถวายชีวิตนะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วพระเจ้าก่อนบรรพบุรุบอกไงอธิษฐานว่าไงนะ ถ้าหากว่าแม้เนื้อและเลือดจะเหือดแห้งเปกัตตาชัยไหมถ้าไม่บรรุแล้วจะไม่หยุดความเพียร น, นั้นจริงหรือเปล่าบรรุแต่ว่าในสัมหังสนาสูตรี่บอกว่าถ้ายังไม่บรรุจะไม่หยุดความเพียรอันนี้น่าจะจริงมากกว่าเพราะว่าตัวหนังสือมันเกิดขึ้นมาทีหลังนะไม่รู้ว่าใครจําได้มาเขียนอย่างนี้บางแต่ว่าอันหลังเนี่ยที่ในสัมหังสนาสูตรเนี่ย ถ้ายังไม่บรรลุก็ยังไม่หยุดความเพียรทําความเพียรไปเนี่ยเพราะนั้นก็เอาละก็คงจะเอาท่านเนเนาะเดี๋ยวตมาก็จะได้เดินทางกับนะใครก็โจเฟอร์ค่อยๆขับกลับไป<อ>เดี๋ยวพวกนี้พอตอมาเป็นนัดเขาเขา ว, ว่าพวกเนี่ยถึงประชุม ก็เลยอ่ะไปหน่อยไปก็หน่อยเราเป็นคนบอกกขาเองเนะีนะ่ยนกะ็เลยไปพวกนี้ก็ที่วัดก็มีพระมาอยู่ปริวานกัเนเห็นโทรมาหาอยู่แต่ก็ไม่ได้ห่วงแล้วตรงนั้นเน่ยพอมีให้พระก็ดูแลไปคุยก็รู้เรื่องก็บนะให้เขาปฏิบัติไปเอาละนะก็นะนะขอให้ให้กำลังใจกันละกันนะ ให้ทุกคนมีสติเข้าถึงธรรมโดยอย่าชะอย่าเนิ่นช้าให้เร็วที่สุดอุปสรรคใดๆก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นจนเข้าถึงรมคำสอนพระเจ้าด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ